อาจารย์ครับอาารย์น้ำาลครับผมอาจารย์คุณหมอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวันจันทร์อีกครั้งเดียวครับครั้งหน้ากลับไปสู่วันอาทิตย์เหมือนเดิมแล้วนะครับอาจารย์ครับครับครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่เจ็ดสิบสี่ครับอาจารย์ผมได้ยินคําว่าหลักใจ ผมก็ก็เกิดความสงสัยนะครับว่าอหลักใจในทางศาสนาคืออะไรหรือเวลาที่ทําอะไรเราก็มักจะมีหลักการทํางานนู่น น, นี่หลักการในเรื่องชีวิตนะครับอาจารย์ทีนี้พอเป็นเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยก็ได้ยินคําว่าหลักธรรมกับหลักใจมาสม่ำเสมอวันนี้ก็เลยขอกลับไปนยนถามพระอาจารย์ขอความประจ่างเรื่องหลักใจครับพระอาจารย์ครับกับความเมตตาครับหลักใจก็คือความสงบนี่ความสงบของใจ ใจที่มีความสงบนี้จะเป็นใจที่หนักแน่นเป็นใจที่มีหลักที่ไม่ถูกกระแสของโลกเช่นความรักชังกลัวหลงครอบนำมีอยู่สองหลักด้วยกันหลใจนี้หลักชั่วขาวที่เกิดจากการเจริญสติเข้าสมาธินี่ก็จะได้หลักชั่วข้าว จิตเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ ป, ปนาสมาธิจิตก็จะสงบเน่งปรศจากความรักชั่งกลัวลงมีดูเบกขาพปารมณ์แต่พออกจากสมาธิมาสภาพของความสงบมันก็จะค่อยๆจางไปเมื่อต้องเมื่อสังขารความคิดปุงแต่งเริ่มทํา ง, งานเริ่มสัมผัสกับเรื่องเสียงกลิ่นรสผัวธภาพต่าง ก็จะเกิดอารมณ์รับช้ำโกรธขึ้นมาไหมเพราะสตินี้ไม่ได้ทําลายกิเลสเกิดความรับช้ำโกรธไม่ได้สติเป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเห็นไปทับหญ้าหญ้าส่วนนั้นก็จะไม่งออกขึ้นมาแต่พอ เ, เอาหินออกไปพอยญาได้น้ําได้ ได้แต่ถ้าพักมันก็มอขกันเอ่ไว้เพราะรากมันยังอยู่ฝังอยู่ในดินเช่นเดียว ก, กันกับเวลาใช้สติทำใจให้สงบความรับชามโกงหลงก็จะสงบตัวตามความสงบของจิตเพราะไม่สามารถทำงานได้ต้องอาศัยสังขารกัามคิดตั้งแต่สัญญาจำจำได้แล้ว ก็สายนำเหมนกันพอมีการทํางานในส้สมเั็จก็ลดกสียงกเกิดรดขึ้นมาก็จะเกิดความนันชั่งกลัวเห็นอะไที่ชอบก็แล้วเห็นอะไให้่ระ่ชอบระชั่งเห็นอะไรที่คว่าจะมาเป็นภัยก็กลัวแล้วก็หลงคิดว่าสิง่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราไอะไรไปันนี้เป็นลักษณะของน ของใจของผู้ที่มาเกิดในโรงนี้ทุกคนมีอาการสีได้กันมีความร่าชางกลัวหลงแต่พอได้ฝึกสติแน้นั่งสมาธิจนจิตรวมกระดับปานาสมาธิเข้าสู่ฌานสีได้จิตก็จะเป็นจิตที่เน่งสงบไม่หวั่นไหวไม่ไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความ สัตว์สัตวธาให้กับจิตดวงนันได้ในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นแต่ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเวลาอจิตยังมีข้อหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่แล้วก็อกอย่างก็สติไม่มีกำลังพอที่จะก็ให้จิตอยู่ในสมาธนั้นได้อย่างถาวร กิเลสเมื่อพอสติอ่อนกำลังลงกิเลสความนักชังกลัความอยากเสตุสัมผัสด้วเส้นกลิ่น้นก็จะพลันงานให้จิตเริ่มทำงานเริ่มกลับมามาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายมาออกจากสมาธิมามากลับมาอยู่ที่กายอันนี้ก็เป็นหลักใจอันหนึง่งถึงแม้เวลาออกมาใ ห, ใหม่ จิตก็ยังมีกำลังพอสมควรกำลังของสมาธิยังไม่หายไปแบบทันทีทันใดจิตก็ยังมีอเบกขามีอะไรอยู่นะจะค่อยๆลดอ้อยลงไปเรื่อยๆผู้ที่อยู่ในระดับสมาธินี้จึงจําเป็นต้องกลับเข้าไปสมาธิอยู่เรื่อยๆออกจาสมาธิได้มาชั่วคราวแล้วจิตเริ่มวุ่นวายละจิตเริ่มสั่นค่อน เนกิดากาตีลัชกัวลมากก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่อันนี้เป็นยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตั้สเลีปัญญาก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้จิตไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์กับอะไรนอกจากการเข้าเข้าสมาธิไปชัว่วครั้งช่วคราวเหมือนกับตอนที่มูจาส่งมาเพนหนึ่งท่านนี้ก็ส่ง ถ้าสมมติเห็นว่าหลักใจและความสงบความมันม่นของภูใจนี้จะเกิดขึ้นก็ถามเมื่อเข้าไปในสมาธิพอออกมาปั๊มันก็เริ่มหวั่นไหวเริไ่ได้สัมผั์รับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคุณหมอคงจะสังเกตได้มางจากการนั่งสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิกับเวลาเอาจากสมาธิมา น, นี้จิตเป็นคนละคนเลย ในสมาธิจิต น, นิ่งเฉยร่างกายอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรง น, นี้ก็ไม่ไมู่้องเสกอะไรแต่พอมาอยากสมาธินี้เอาคันหน่อยก็เกานะะเจ็บหน่อยก็ขยับนะนนเพราะว่ามีความรับชังมีความอยากเกิดขึ้นนะรักอะไรก็อยากจะได้ชังอะไรก็อยากจะให้มันหายไป ทีนีหลักใจอันที่สองทีสําคัญคือหลักใจที่เกิดจากปัญญาปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบและทรงคนพงคนพบว่าสิ่ ง, งต่างๆที่ใจไปรักไปชังไปโกรธไปหลงนั้นมันเป็นตายรักเนะี่ยเป็นอนิจจไม่เที่ยมมันมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปรักอะไรแล้วพอสูญเสียสิ่งที่รักไปก็จะเกิดทุกข์ตาม แล้วก็ถ้าไปสัมผัสอย่างไรที่ไม่ชอบอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของผู้ใดมันมีเหตุมีปัจจัยของมันถ้ามีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดพอเหตุปัจจัยที่ให้มันเกิดมันหายไปมันก็ดับไปเองมันอันนี้ คืออนัตตาถ้าไปอยากกับสิ่งที่เป็นอนิจจ์เปนอนัตต า, าก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่สามารถทําให้เป็นไปตามความอยากของใจได้เพรนะการ ย, ากยึใจจะไม่ทุกกับสิ่ ง, งตา่างๆก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักมันไม่เทียมเป็นอนัตตาอยากไปรักอยากไปช่างไม่อยากไปโกหกเพราะไม่มีอะไร ที่น่านักรากก็ทุกชังก็ทุกกลัวก็ทุกหลงก็ทุกหลงว่าตัวหองหลงว่าร่างกายเป็น ต, ตัวเราของเราก็ทุกความจริงร่างกายไม่ตัวเราของเราพิจารณาด้วยปัญญาปัญญาก็จะปล่อยวางไม่ไปไปอยากไม่ไปไปรักไปชังไปกลัวไปหนลงต่อไป อันนี้ก็จะได้อุเบขาแบบเท้าวรนกาเห็นว่าสิ่ ง, งต่างๆถ้าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงก็จะทําให้ใจทุกข์ก็หยุดหยุดความลักชังกลัวหลงทาใจเฉยๆป่อยว า, วาใจก็ขับมาสู่อุเบกขาอันนี้ไม่ก็จะเป็นอุเบกขาแบบท้าวอนไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขา ปล่อยใจนด้เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นกต่อไปปล่อยร่างกายได้ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปใจจะมาเฉยๆใจจะไปรู้เบคา้างกับร่างกายได้ปล่อยเวทนาได้ก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาเจอเวทนาก็จะเฉยๆไม่กล้าไปรักไปชามมันพรรักชามแล้เดี๋ยวเกิดทุกขตามมถ้าไปรักสุขเวทนาเดี๋ยวสศกเวทนามันหมดไป มันก็ทุกถ้าไปชังทุกข์เวทนาเพราะชังมันก็ทุกขึ้นมาทันทีดังนั้นต้องทำใจเฉยๆอย่าไปรักไปชังอย่าไปยินดีอย่าไปอยากให้มันอยู่นานๆไม่อยาให้มันไปเร็วๆเกือความจักความอยากหยุดความอยากให้ใจก็จะไม่ทุกข์ปล่อยให้มันมามันไปของมันเอง ทุกสิ่ง อ, อย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นเรื่องธรรมชาติของมันใจก็จะไม่เป็นทุกข์กับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆต่อนนาตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเลีนาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆภายในใจเมื่อใจตัดสจากความหลงที่ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราว่าจะ อยู่ไปนานๆพอเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามใจก็ไม่ไปมีความอยากได้สิ่งอะไรต่อไปกำจัดความอยากในรูปเสียงกิ่นลดอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นใจก็จะได้หลักใจอย่างถาวารได้ความสงบอย่างถาวร อธิบายอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจต้องปฏิบยยัติเองมันถึงจะเห็นชัดเจนกว่าคื <ST. S 1> อแบบพูดแล้วก็พยาอธิบายแบบเขา้เขาท่าแล้วทำได้ครับมองพอจะเข้าใจไหมผมผมฟังเข้าใจนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้ประโยชน์ของการที่เราแบบมีหลักใจแบบปัญญาเป็นบางครั้งบางคราวอะครับอาจารย์วจนะเรายังไม่ได้ครอบคุมกับทุกสภาวะธรรมที่ เราไปสัมผัสลับลึกเนี่ยจะถามว่าทำอะไรที่ปัญญารู้ทันมันก็ปล่อยวางจะถามว่าทมอนไรที่มันรู้ไม่ทันมันก็ยังยึดติดอยู่อย่างกับคนใกล้ตัวเราล่าสิ่งใกล้ตัวเราเลื่นี้เรายังไม่ทันเลยสิ่งไม่เราอาจจะทันลาบยึดสรรเสริญนี่อาจจะพอทันตอนนี้รู้ว่ารากเป็นทุกข์ก็ไม่ไม่ติดนันตอนนี้โลดการหาสว่งหาลาบให้มันน้อยลงไปหาเท่าที่จําเป็น ยศก็ไม่มีความสนใจนะไม่ยังไม่อยากจะเป็นพอโรงพยาบาลไม่อยากจะเป็นอะไรนะครับอันนี้พอปล่อยได้พอปัญญาเห็นเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ะก็ไม่เอาได้แต่ร่างกายที่ยังไม่เห็นเวทนาเวลาทุกข์ก็เวทนาเกิดมันยังไม่เห็นมันก็ยังมันก็ยังทุกข์อยู่มันก็ยังอยากอย่ากให้ร่างกายอยู่กับเราไปนาน อยากให้น้ำกายไม่เจ็บใครได้ป่วยอันนี้ก็ต้องพิจารณาต่อไปเรื่อยๆพิจารณาดูร่างกายให้มันเห็นว่ามันต้องตายมันไม่มีทางอางื่นอ่าเป็นเดชเป็นเดชมันพยายามไม่เราจะนอนานะนั่สติงี้เลยครับมันจะมาเออ ย, ยังมีพาร ะ, ะต้องทำํำยังมีเรื่องนี้นี้ต้องทำยังตอนนี้มันตายไม่ได้ถ้ามันจะตา ย, ยาจริงๆไปห้ามันได้ ใ ช, ใช่ครับแต่มันไม่ยอมให้เราคิดอย่างนั้นเออีกไจเนะี่ยความตายมันเรายังหนุนอยู่ไม่ได้ตายก็ความแก่ความเจ็บก็ได้มันตายก็ราะสูญเปลือ น, นะมันตายเพร อ, อุบัติเหตุก็ได้แต่โดยโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ ก็โดยส่วนตัวตอนนี้มันยังไม่เจ็บไม่ป่วยครับอาจารย์มันก็รู้สึกว่าก็โอเคพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจาชีวิตที่ผ่านมามันก็รู้สึกว่าอ่าคุ้มค่ากับการดําเนินชีวิตมาแล้วนะครับถ้าพร้อมที่จะตายได้ก็โอเคแล้ ว, น, ลวนี่ก็ต้องไปพิสูจน์ดูไปเดี๋ยวที่มันน่ากลัวดูแล้วถ้าเกิดมีอะไรมาคิดว่าจะทําให้เราตายอ น, นั้นก็ ใช่เพัวใจนะจะปล่อ ย, ล ย, ลยแล้วยังจะกอยหรือจะอยู่อาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วหลักใจทั้งสองหลักเนี่ยมันต้องเป็นไปตามลําดับขั้นใช่ไหมครับไม่ไม่สามารถเพราะ ม, ม, มันแล้งแต่แต่ส่วนใหญ่มันต้องไปเพราะสติมันง่าย ก, กว่าปัญญาครับปัญญาโยมเนี่ยเป็นคนที่เป็นมีปัญญาเยอะสามารถมองเห็นใจรักได้ก็ไปไปปัญญาอะไรก็ได้ก็กลายเป็นพวก ปัญญาลงสมาธิไปไม่จะเป็นพวกปัญญาวิมุตต์ไปก็ได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาแบบนั้นก็ต้องสมาธิไปก่อนแล้วค่อยไปปัญญาครับผมผมคิดบ้างแมแต่พระพุทธเจา<ม>้าก็ได้สมาธิก่อนอค่อยไปปัญญาเพราะตอนนั้นไม่มีใครสอนนปัญญาให้กับพระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นหาเอง แต่ถ้ามีคนสอนอธาธถอาจารย์มีปัจฉนาที่อยู่แล้วพอได้ยินทางปัญญาก็บรรลุได้หน่อยก็ได้เหมือนกับพระปัญจวัคคีย์พระเจ้าแสดงอริยสัจสี่มาแปดหหนึ่งในพระสนในพระพระปัญจวัคคีย์คือพระอนญจญจังสุขอนิอนยมก็มีดวงตายังทเห็นอนิจจังทุกขังนัาตาในสังขารร่างกาย แต่หลังจากปัญญาวิมุตต์แล้วจิตก็วิมุตต์ตามมาด้วยเลยใช่ไหมครับอาจารย์ผมก็ใช่ถ้าเป็นปัญญาแล้วมันก็ได้แต่คนส่วนใหญ่มันไม่ได้หรอกถ้าสติทําทําสติให้ใจสงบยังไม่ได้มันจะไปควบปุ่มใจให้มันถ้ามันยอมนับตายรับได้ยอมนับอนิจจังได้ไหมยอมนับความตายได้ยอมนับความเก็บได้ไห ม, ม, น, ม, ไไหมน่าจะยากนะครับ ถ้ามันไม่มีเวทคามันทำไม่ได้ครกับกาบพระคุณพระอาจารย์ครับเอจะได้หลักเอาไว้เป็นแนวเช้า้งพระเจ้าทั้งท่านบอกว่าศีลเป็นเครื่องอบรมสมาธิสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญาปัญญาเป็นผู้ทาให้จิตหุดท้นต้องเป็นขั้นเป็นตาแต่ กาขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอโอกาสถามหน่อยเดิน 1> 1ตามทุ่งเจ้าสอนจากศีลสมาธิปัญญาทางศีลต่อนะถ้ายังใช้งานไม่งานไม่ท่าอยู่กสละไปให้หมดแล้วก็จะได้เหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาแล้วรักษาศีลไปบวชนะครับจะได้เจรินสมาธิเจริญสติในทั้งวันทั้งคืนเพย่อจะได้หลักใจขั้นที่หนึ่ง เราหลักใจขั้นที่หนึ่นใช้หลักใจนี้เป็นขั้นรู้เสื่อมกับอิเล็เพื่อจะได้หลักใจตรวที่สองต่อไปคําถามจากคุณสมพรครับขอธรรมะกับการอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขจากพระอาจารย์ครับบางทีมีโทสะหงุดหงิดอารมณ์ระเบิดเหยียบเบรกอารมณ์ไม่ทันน้องกาับขอคําแนะนําครับก็พระเจ้าสอนให้ให้มีให้มีพรหมวิหารสี่เวลาที่เรา อยู่กับใครนี่ให้เจริญเมตตากรุณามุมิตาอุวเบกขาอย่าเวลาโกรเขากาอย่ า, อ ย, าอย่าอาฆาตพยาบาทอย่าจองเวรจองกรรมให้ไภัยเขาทำอะไรก็อย่าไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขาให้ความเคารพเขาอะไรแเมตตา คารูนาก็ช่วยเหลือเขาเวลาเขเดือนร้อนต้องการความช่เหลือเมื่อาดถ้าเขาได้ดีได้ดีก็สแสดงความยินยอมชื่นชมไปกับควา ม, วามสําเร็จของเขาแล้วก็ถ้ามีเขาทำอะไรที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ไปไปบอกเขาได้ก็ทำใจเสียเป็นูุเบกขาว่างใจป่อยวางถือว่าเป็นเรื่องของเขา นนเขาทำกรรมอะไรวะเขาต้องเป็นผู้รับผลกลับเรื่องไปมันเี็นนักลูกสอนลูกลูกก็ไม่เชื่อทำอะไรพ่อแม่ามามาถามคำถามที่ยอะแยะเลยบ่อยน ะ, นะไม่กว่าลูกจะบอกต่อไปนี้จะไม่นับถือาศาสนาพุทธนะจะทำอะไเขาไม่นับถือว่าเรื่องของเขาเลเราจะไปเราคับก็ได้เลยใช่ไหมทำใจไม่ได้กลัวลูกจะตกนรก กลัวไม่มีศาธสนาเป็นผู้นำนำพาไปเ ส, สปริมสติคผล่ลูกรักลูกทำหน้างทุกไปกับการตัดสินใจของลูกน้อยใจเสียใจเอาลูกเขาไม่นับถือสาสนาที่เราเรานําถือเสียใจน้อยใจบันนี้ลูกมันอาจจะพูดแค่ประชดประชันนั่นนะเอาไปสอนมันมากมันก็เบื่อขึ้นมาบางทีไปสอนมันมากไปมันก็เบื่อไป เวลาจะสอนใครเราต้องดูว่าเขารับได้เท่าไหร่ถ้าเรื่องเกิดอาการต่อต้านแนละ้วมือนมือดื้อยาแล้วเนี่ยต้องต้องหยุด น, นะไม่เกิดประโยชน์ให้ยาไปก็ไม่เกิดประโยชน์ครับการอยู่กับหัวหน้างานควรใช้ธรรมะข้อใดยอย่างใดให้มีความสุขครับอาจารย์อ่อนน้อมทำตนพระเจ้าออนนอจอสอนเป็นบุญอย่างหนึง่งการกระทผู้อ่อนน้อมทำตนผู้ใหญ่เขาก็ต้องการให้เรา เคารพเข า, เขาน้อมน้อมเขาถ้านราอ่อนน้อมทําตนน้อมาแล้วก็จะเคารพผดดู้อื่นได้อ่อนน้อมทำตนน้อมน้อมต่อเขาได้ให้สัมมาคารวะได้มีสัมมาคารวะพระเจ้าท่านสอนว่าทําตัวให้เราเป็นเหมือนผ้ากี่เหลวหรือทําตัวเหมือนเป็นปตัตภีตามส่วนแรกก็คือเดินเนี่ยพื้นเดินเนี่ยไม่มีอะไรจะต่างกับพื้นดิน ใครอยากจะเหยียบพยายามใครจะดูถูกดูแันงพื้นดินเขาไม่ได้เดือแล้วนใครจะอุจจาระปัสสาะส่ยึ่หันดิ น, น, น, นยันดินไม่เฉยถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็ทำตัวเป็นแจว ท, ทำตัวเป็นแจวใครทุกคนเป็นเจ้านายแล้วนะสบายใครับผมครับผมพยายามนะครับผมครับผมบไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้ ไม่กล้าเถียงไม่กล่าว่าเขาเพราะเขาเป็นย่าติเราคุณพลังครับถ้าไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าและอดีตชาติจะมีทุกขมากกว่าผู้ที่เชื่อหรือไม่ครับมันก็อยู่ที่ว่าเราไปทําอะไรหรือเปล่าคือการเชื่อว่าชาติหน้ามนจริงแล้วผลบาป ท, ที่เราทำนี่มันมีผลตามมาจริง มันก็า จ, จะทําให้เราไม่กล้าทําบาปนะแต่ถ้าเราไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ทําบาปอยู่ดีก็ไม่เป็นปนัญหาเลยถ้าเราเห็นว่าไม่ต้องเห็นชาติหน้าเห็นว่าทาบาปชาตินี้ก็ทุกขนะ์แล้วพอทําบาป ก, ก็ไม่สบายใจแล้วก็ดีไม่ดีก็ถูกจับไปลงโทษถ้าแค่นี้ก็ไม่ต้องมาเชื่อชาติหน้ากันนะขอให้ขอให้รู้ว่าการกระทําบาป การทำบุญม่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราเวลาเราทำความดีเรามีความสุขใจเวล า, เาทำไม่ดีเราจะไม่มสบายใจแล้วก็อาจจะมีโทษตามมาด้วยถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อชาติหน้าก็ได้คุณสมพรครับทำอย่างไรดีครับถ้ามีคนแสดงความสนใจมีความรักความพึงพอใจมาให้แต่ตัวโยมออกจากขยะดเรื่องความรัก พรความรักเชิงชู้สาวทําให้จิตไม่สงบไม่ได้เป็นความสุขแท้เป็นความสุขปลอมแต่ถ้ว่าในขณะเดียวกันพลังความรักเองทําให้มีแรงพลังอย่างมหาศย์เอาเหมือนกันเหมือนกลัวความรักแต่เห็นค่าพลังของความรักที่เื่อเหมือนสามารถยกโอ่งสิบกิโลเอาได้อย่างง่ายดายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโยมกลัวความรักแบบชู้สาวมากไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดครับอาจารย์ก็พยาามพิจารณานิจังว่ามันเป็นของชั่วคราวด มีกัดเมนมีมนกกรักันได้เดี๋ยวกัดทะลาะกันได้ดูคู่สามีภรรยาตีกันนอนมันหมดฆ่ากันอะไรกันเวลาใม่ๆเจอกันก็หันหน้าเอาแต่หน้านดีใส่กันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วทีนี้กลับเป็นหน้าเมืป็นหล้ามือเคยหวานเคยเคยดีด้วยเคยจะเคยจ๋าในการเป็นเมืองกูอะไรกันละด่าพ่อร่อแม่กัน นี่คือคนเลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามดังนั้นก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจ์แล้วเราจะไดไไ้ไม่ไม่อยากจะมีได้อย่างแท้จริงถ้าปล่อยให้เป็นอารมณ์บางทีเดี๋ยวเจอของหวานๆเข้ามันก็อาจจะใจอ่อนก็ได้เนะทียนไขนี่พอเจอความร้อนมันยังอัดยืดหยุ่ ตจจะแข็งยังไงถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็อ่อนได้แต่ถ้ารู้ว่ากำลังเข้ากองไฟนะี่ยกำลังการมีคู่ครองนี่มันเป็นเหมือนกันเข้ากองทุกข์ต้องทุกข์แน่ต้องทุกข์ถ้ารักกันจริงไม่ทะเลาะกันมันก็มาทุกข์กับความโหงใยกันเงีงทะเลาะเขาแล้วก็โหยใยเขาหรือถ้าว่าเขาไม่สือ่อสารกับเราก็าแอบไปมีใครโอ้นี่ยิ่งทุกข์ใหญ่เลย เขาถึงง่ายิบอาที่อยากจะฆ่าเขาเลยนั่นก็มีเรื่องของม้งผูกขาวเนี่ยคม้งปูกขาวท่านก็มีครอบครัวมีภรรยาก่อนที่ท่านจะบวชนะต่วันหนึ่งภรรยาท่านไปจากได้กำลังไปมีอะไรครับชู้ตอตนก็คิดจะฆ่าทั้งสองคนนะพอได้สติยับยั้งขึ้นมาเมื่อเราฆ่าเขาแเราก็เลวบวกเขาอีกเขาเพ่งเด็ไปนอนกันเพื่อนเองไอเราผลเต็งก็ไปฆ่าเขาเลย อันนก็เห็นโทษของการคู่ครองโอ้มันแสนท ร, รมานเวลาคู่ครองเราหักหลังเรามันไม่มีอะไรที่จะท ร, รมาเท่ากับความโดนหักหลังเนี่ยก็แลยไม่เอาละอยู่คนเดียวดีกว่าไปบวนดีกว่าอาการบอกชาวบ้านเลยว่าเมียของข้าพเจ้ายกให้กับชู้เข้าไปแล้วไม่เอาละเพราะอยากจะอยู่ด้วยกันในความสุขเข้าไป ฉันจะไปบวชไปหาอาจารย์มั่นอย่างงี้ไปน้องพาล้องปูกมั่นอย่างนะันท่านอะไรในบวชถ้าไม่ฉะนั้นถ้าถ้ายัางรักกันดีอ่ก็คงจะไม่ไปบวชถ้าไ ม, ไ ม, ม่ไม่มีทุกข์มันก็ยังไม่รู้มันก็ไม่อยากจะทิ้งยแต่พอมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้ไม่รู้จะอยู่กันไม่ได้ไงต้งไปบวชอย่างเงี้ยเค็งเลยอันนีกน้ก็ต้องเห็นทุกต้องเห็นทุก ทีถ้าเราถ้าเราไม่ได้คึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเง่ายมันง่ายจะทําให้เราอ่าล่าใจเลยว่าประมาณนั้นไม่ไม่เกิดขึ้ น, น, น, น, น, นกับเราคนเรามักจะคิดอย่างนั้นไม่เคยขิ้นอะไรเขดีหรอกเมื่ออย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนใชคนเราพิจารณาเป็นธรรมมือได้เมื่อในทุกเวลาถ้ามีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องคุณบัญชยาครับ บางครั้งความคิดลบแวบขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาลบใดๆเลยเราจะจัดการความคิดลบนั้นยังไงคะก็ใช้สติใช้คำบริการผู้โทรผู้โทรนะหรือ ว, ว่าถ้ามีปัญญาก็สอนตอนไหนว่าคิดแบบนี้ไม่ดีมันจะนําไปสู่การกระทําที่ไม่ดีแต่ความเสียหายทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราตามใช้เหตุผลสอนใจแล้วการดะคิดนึกถึงเรื่องราวนั้น มันยังเดือดคิดอยู่ก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธเวลามันคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธพอมันหยุดคิดเราก็หยุดพุดโทโธได้คุณวชิรวิทย์ครับคนเป็นหนี้ไปบวชได้ไหมครับจะสําเร็จมรรคผลได้หรือไม่และถ้ามีเงินจ่ายหนี้ไปเรื่อยๆบวชได้หรือไม่ครับอันนี้ไม่น่าจะว่าเป็นเป็นเด็กของของข้อห้ามหรือเปล่าคนไม่มีหนี้ ถือว่าถ้าคนเป็นข้าราชการนี้ต้องได้รับได้รับอนุญาตจากพระราชาก่อนถ้าเป็นข้าราชการนึงถ้าคิดว่ามันมันน่าจะบวชไม่ได้ในทันในี้แต่นอกจากว่าไม่ทราบว่าเรลาบวช้าถามข้อนี้หรือเปล่าแล้วค uh ือข้าสัมภาษณ์อาจะให้ก่อนถามคนเป็นบรรลุนึกเปล่าอยู่สี่ห้าข้อทําไม่ได้ ถ้าเวลาจะไปบวชก็ไปถามพระอุปชาร์คนที่เราคนที่จะบวชให้เราตอนนี้ผมมีนี่ผมบวชได้ไหมเราไม่รู้เราไม่ได้เป็นอุปชาราไม่กล้าตอบอาจารย์มีข้อนึงถามมาเป็นนาคหรือเปล่าเนี่ยครับอาจารย์ก็คง ม, มีหน้าความโจรมาเป็นมนุษย์มาบวชมาขอบวชเนี่ยเป็นเดชาชานมีมีฤิมีฤิ์มีเดชสามารถแปลงความเจรให้า เ, เป็นมนุษย์ได้ ก็เลยต้องถามเป็นหน้ากหรือเปล่านานก็ในราัชานี่ครับผมคุณชิสนุพงศ์ครับเผลอสติพ้องง่วงและไม่สะดวกเดินจงกรมเช่นตอนขับรถเราก็ง่วงอยู่บนทางด่วนก็ทําอะไรไม่ได้ก็ขับแบบง่วงง่วงจวนจะหลับแบบนั้นไปทําอย่างไรดีครับก็เลยจอดรถดก่อนแล้วกนอนอย่าไปขับนะนอนพักให้พอกันพอถึงนขึ้นมาแล้วกย ข, ขับต่อไป r i h t w e l wisdom, kindness, love. When I get upset or irritated because of a situation where somebody does not understand what I mean, how can I let go of this irritation and be mindful and patient to respond or act? Example discussion of or work or with family. Thank you. Well, one way is to look at that person like a a, a deaf. A, Someone who cannot hear you. So when you talk and they cannot, they cannot respond to what you you, you talk to them. t h e just just think you r e talking to someone who cannot cannot hear you. I'm not sure what is the word, dumb or deaf. Who n o w the dumb, the d e a deaf, d e a deaf, d e Just just just imagine that you r e talking to a deaf person. The person cannot hear what you say. So once o n e you you cannot communicate, then just just just stop and accept that no point discussing anything with that person. อาจารย์ a ม e ตา Thai just a minute, can w ครับอ่าเขาบอกที่เวลาที่เราเกิดความรำคาญพังเกิดโมโหเวลาที่เราคุยกับใครแล้วเขาเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด เราจะทำยังไงดีที่จะทำให้เราไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาใกล้ที่เวลาเราคุยกับคนหวหนวกกันแล้วกันครับ <laughs> คุณสมพรครับโยมเป็นคน EQ ต่ำความฉลาดทางอารมณ์มีน้อยมากๆมักจะเอาแต่ใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวแบบไม่ได้มีความตั้งใจในสายตาคนอื่น แต่จริงๆเป็นคนจริงใจจริงจังกับสิ่งที่เชื่อกับสิ่งที่คิดของตัวเองเหมือนยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจควรใช้ธรรมะข้อใดแสดงว่าโยมยังขาดสติสติอ่อนกำลังเกินไปเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือยังครับก็ยังที่บอกพยายามทำตัวให้ตัำอคิวต่ำแล้วก็เราก็ตัดตาก็ตัวตนก็ต้องต่ำด้วยคิดว่าเราเป็นแจ้วเราเป็นคนรับใช้ท่ากัน เราจะได้ไม่ไปอวดเกง่งอวดดีกับคนอื่นครับคุณสุตตาครับอยากได้ในสิ่งที่เราควรจะได้ถือว่าเป็นความโลภไหมคะจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือความโลภแล้วควรวางจใจอย่างไรครับถ้าสิ่งนั้นมันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ถือว่าโลภถ้าจำเป็นก็ถือว่าเป็นจำขาดจำเป็นเนช่น ต้องกินข้าวไห้ฮะถ้าต้องกินข้าวมากินแต่กินมากเปินไปนี่จำเป็นนั้นไม่จำเป็นนะก็โลกดังนั้นต้องดูว่ามันสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะเป็นไห ม, ไมต้องมีหรือไม่ถ้าไม่มีถ้าเราจะตายอย่างนี้ก็ต้องมีอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความโลกนั่มีเสื้อผ้าพอเพียงว่าใสา่นั่นเรียบถ้าเสื้อผ้าพอเพียงก็ไม่มีเหตุผลที่จะซื้อตัวใหม่แล้วอยากจะซื้อตัวใหม่อย่างนี้เรียกว่าโลก แต่ถ้าเสือ้อตัวที่เราต้องใส่ไปทำงานมันขานมันต้องซื้อตัวใหม่มาทดแทนอันนี้ก็ไม่ถือว่าโรคต้องดูความการใช้สอยความจำเป็ น, ปนหรนอกถึงังไม่โรค ก, การมีสามีภรรยานี่ถือว่าโรคกรอโลกอยู่คนเดียวตายไ ม, ไม่ตายใช่รับ <laughs> ตอนเป็นเด็กก็อยู่ได้นม่ใคนเดียว <laughs> BE> คุณสมพรครับถ้าเป็นคนจริงจังควรใช้ธรรมะข้อใดให้เป็นคนสบายสบายไม่จริงจังมากครับคือความจริงจังนี่มันคุณเป็นคุณธรรมที่ดีแต่ที <S <S ่คุณว่าคุณจริงจังนี่มันอาจจะเป็นจริงจังเพราะความอยากมากกว่าอย่าไปจริงจังกับความอยากจริงจังกับคุณคุณสมบัติเราเป็นคนจริงจังเราไม่เป็นคนโกหกหอกวงนี้ดี แต่ถ้าจริงจังกับความความอยากนี่ไม่ดีเพราะมันอาจจะมันจอาจจะทําให้เราอาไม่สนใจว่าจะทําอะไรให้เกิดความเสียให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ก็คือใช้ความนับน้อยสัมโดนดี่ว่ากินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะสบายใจสัมโดนจะทําให้เราสบาย ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีได้น้อยก็ดีได้มากก็ดีไม่ได้ยางไรก็ได้ mm. เอาความสันโดษมาใช้กับชีวิตเราคุณอีฟครับกลาเป็นถามพระอาจารย์สองข้อนะครับข้อที่หนึ่งคาะวาตต้องนั่งสมาธิทุกวันเพื่อให้สามารถควบคุมกิเลสในแต่ละวันให้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ ไม่วางขายทั้งนั้นน่ยถ้า <hi> ต้องการกําจัดกิเลสมันก็ต้องมันก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาด้วยการทุกคนถ้าต้องการแต่ถ้าไม่ต้องการเขาเขาก็ไม่เขาก็ไม่นั่งไะวันนี้เขาไม่ต้องการควบคุมกิเลสเขาก็ไม่นั่งไปมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันคารวะหรือเป็นพระถ้าไม่นั่งสมาธิก็มีเยอะไปนี่มันอยู่ที่ความความต้องการของแต่ละ ถ้าต้องการใช้สมาธิคอยควบคุมกิเลสก็ต้องต้องฝึกสมาธิให้มากๆยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งจะสามารถควบคุมกิเลสได้ดีขึ้นข้อที่สองครับสมาธิถ้าไม่ฝึกทุกวันจากที่เคยเข้าได้ก็จะเริ่มเสื่อมหรือไม่เจ้าคะใช่ทุกอย่างถ้าเราทําแล้วเราไม่ทําต่อมันก็จะเสื่อมได้เคยเออกกาลังกายเคยวิ่งทุกวันทุกวันแล้วพอหยุดวิ่งเรากลับไปวิ่งใหม่ วิ่ไม่ไหวนะต้องนำต้นใหม่คุณนวาครับถ้าเห็นพี่น้องกําลังทําบาปกับพ่อแม่ทางวาจาจนท่านเสียใจหนูสงสารอยากปกป้องท่านเราต้องไปตักเตือนเขาไหมคะหรือควรแค่มาดูใจเราเองว่าเราโกรธไหมแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของโลกธรรมครับก็อยู่ที่ว่าเราพูดได้หรือเปล่าท่านพูดได้กับพูดได้ ถ้าพูดไม่ได้ก็กทำใจว่ามันเป็นคำของพ่อแม่แล้วกันที่ได้พีน้องแบบนั้นมาเป็นลูกแล้วเราก็เอามาเป็นบทเรียนสอนตัวแล้วว่าเราอย่าอย่างนี้กับกับพ่อแม่ก็แล้วกันคุณปิยรัตน์ครับถ้าเราเป็นพระโสดาบันจะทําให้พ่อแม่ไม่ตกอบายภูมิไหมคะถ้าเราสอนให้พ่อแม่เป็นโซดาบันได้ท่านก็จะไม่ตก แต่ถ้าเราเป็นแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเฉยๆมันไม่เกี่ยวกันเลยก็ท่านก็ต้องเป็นไปตามคาของท่านคุณอภิชาติครับเรียนถามพอาจารย์ก่อนเสียชีวิตจิต ด, ดับเราควรวางจิตอย่างไรครับกปนะ็ปล่อยวางร่างกายนปอะวางร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะอยู่ทางใจก็ให้รู้เฉยๆไปไม่ไ้เอาไป ยื้อมันไม่ต้องเป็นนิ่นอนต่อสู้ออกาความตายปล่อยให้มันตายไปถ้าปล่อยไม่ได้ก็เราใช้สติช่วยปล่อยพูทโทพูโทโพุโทโธไปสวสดมนต์ไปก็ได้คุณอักษราครับหลักใจที่ไม่ชอบชังต้องเจริญสติไปในกายใจให้เป็นปัจจุบันจนจิตว่างใช่ไหมเจ้าคะ หากใช้คำภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า inside thinking หรือ stop thinking หรือใช้คำใดจึงจะเหมาะกับจิตที่เห็นสภาวะเกิดดับเจ้าค่ะไมอย่างที่พูดเน่ยมันต้องเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิมันถึงยาหยุดความนักชังโกน ล, ลงได้ถ้าไม่ชนะมันก็อาจจะทำให้ให้มันเบาลงได้ถ้ายังถ้าเราใช้เจริญสติไปเรื่อยๆความนักชัโกนมันก็อาจจะเบาบาลง แต่มันจะไม่หายไปเหมือนกับตอนที่มันเข้าไปในสมาธิคุณนัทวดีครับเราจะอยู่กับลูกน้องที่มีลักษณะไม่ฟังใครอย่างไรคะก็ปล่อยเข้าไปถ้าเขาไม่ฟังใครทำยังไงได้ถ้าเราให้เขาออกไปได้ให้เขาออกไปถ้ามันเป็นปัญหาต่อองค์กร แต่ก่อนจาให้เขาออกก็ต้องเตือนเขาก่อนให้เขาปรับปรงตัวเองแต่ถ้าเราไม่สามารถให้เขาออกไม่ได้เราก็ต้องทําใจ เ, เราก็ทําใจ เ, เรื่องเขาเขาไม่ฟังใครก็ลองของาไม่ใช่เรื่องของเรา ค, รคุณนาวาครับพ่อแม่ที่เห็นลูกทําผิดทําบาปแล้วไม่กล่าวตักเตือนที้ทางที่ถูกให้ เราเป็นลูกคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์ไปบอกท่านให้ทําแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าถ้าเราเป็นลูกเราไม่ควรไปสานพ่อแม่นอกจากพ่อแม่ขอคำปรึกษาเราถึงบอกได้ท่านพ่อแม่ถามว่าจะทําไมกับลูกคนดีก็อบอกได้ว่าก็ว่ากล่าวตักเตือนก็เสร็จก็จะไม่รู้อะไรก็ได้อย่างนี้ก็อาจจะทําได้ คุณนอร์แนคุกครับขนาดนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจคำบริกรรมถ้าเราเพ่งหรือตั้งใจกำหนดมากๆเป็นทางที่ควรไหมครับหรือควรกำหนดเพ่งแล้วมันก็ลดการเพ่งลงมาเองหรือไม่ควรเพ่งเลยดูสบายๆไปครับถ้าดูลมก็ให้ดูเหมือนเราดูดูดูภาพประโยชน์นั้นดูอะไรก็ดูเฉยๆไปดูลมเข้าลมออกไป ถ้าบริกรรมก็บริกรรเหมือนตอนที่เราล้อมเพงลงเนี้ล้อมเพลงแล้วก็ล้ล้ําไปตามแล้วสบายใจใช่ไหมเราก็บริกรรมแบบนั้นไปบริกรรมน่านแบบที่เราล้อมเพลงไปคุณมนรดีครับหากผิดหวังจากการสูญเสียและมีอารมณ์ในการยึดปิดอยู่กับการสูญเสียพัดพลาดจะนําเข้าสู่การปฏิบัติอย่างไรคะ เมื่อพยายามจะนั so, God, so well, you. mm ่งปฏิบัติก็จะนึกถึงการสูญเสียผัดคลาคอยู่ในระหว่างการนั่งปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะควรจะมีกลวิธีอย่างไรเพื่อไม่เสียเวลากับการยึดติดกับอารมณ์เสียใจเจ้าค่ะก็ต้องมันฝึกสติก่อนที่จะมานั่งไม่เก็คงความที่ย้ายย้ายไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดใช้คําบริกีรำพูดโถพูดโถไปเรื่อยๆแล้วเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทํา่ากๆของร่างกาย อยากปลอให้ใจคิดเรื่อยเขยิบคิดเพ้อจะคิดเรื่อมที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดหยุดมันแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดเนื่อมสูญเสียเรื่องไรที่ที่ในการคิดเวราะจิตไม้มีสติพอที่จะยับยั้งมันได้แล้นยายาวนังพยายามฝึกสติเพื่อยับยั้งความคิดต่างๆให้ได้แล้วเวลานั่งสมาธิก็จะไม่มีความคิดเข้ามาขัดขวางการการทำสมาธิ คุณพิทพงศ์ครับการทําสมาธิแต่คิดถึงอดีตและคิดไปเรื่องอนาคตคิดวุ่นวายในหลายๆเรื่องจะดันเนินการพิจารณาหรือภาวนาอย่างไรดีครับก็เหมือนกับข้อที่แล้วนะครับการจะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็มานั่งเลยนั่งเลยก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยเพราะมไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดต่างๆไว้ก่อนพอมานั่งมันก็คิดออกมาไปเรื่อยๆก่อที่จะมานั่งมันก็คิดอยู่แล้วคิดมานล้วต่นใช่ไหม เป็นเวลาหน้ามัวคิดต่ออยู่นี้ใช้มันหยุดได้เราต้องหยุดมันตั้งแต่เรื่องตื่นขึ้นมาเลยเอาตืต่ขึ้นมามันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดมันก่อนเลยโทุโทโธพุทโธไปหรือบางครั้งให้มันดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ทำอาบน้านัน่งหน้าแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับงานที่เราทําไปอย่างเดียวต้องฝึกสติก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อนแล้วถึงคั้นมานั่งสมาย ถ, ถึงจะได้ผล คุณอัญชลีครับคนที่มีอาชีพหมอดูหรือนักโหราศาสตร์ถือว่าสร้างบาปกรรมไหมครับเพราะอาชีพนี้เห็นว่าช่วยคนได้ทางพูธศาสนาว่าอย่างไรบ้างคงรับก็โกหกเราแล้วก็แบบถทาพความจริงก็ไม่บาปคุณเปียพงคาา์ครับขอเรียนถามอาจารย์ครับวัดมีงานกระถิ่นให้ผมทำาศาสนาพิธีผมก็ทามาสี่ปีแล้วไม่มีข้อผิดพลาด แต่พอจะใกล้ถึงงานแล้วมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วไม่อยากทําเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําธรรมะให้ครับก็พยายามระงรับความตื่นเต้นใช้สติพุทโธพุทโธอยู่แลบอกด้วยปัญญาก็ทํามาตั้งสี่ปีแล้วก็ทํามาได้แล้วจะไปวิตบทําหรถ้าจะถ้ากลั ว, ว่าจะทําผิดพลาดก็ต้องยอมรับ ว, ว่าเราสี่เท้ายัางไม่พลาดหน้บาบ่ายังไม่พลาด เราก็เป็นสามัญชนธรรมดาทําไ ม, ท ำ, ไมทำผิดพลาดไม่ได้ความกลัวความผิดพาดเนี่ยมันทํ า, าทให้เราตึกนเต้นงั้นอย่าไปกลัวความผิดพลาดผิดก็ผิดไปผิดก็พูดตลกไปก็ได้ไปแล้วผิดอะ่ะอย่งงู้นอย่างงี้ไปไม่มีใครก็จะมาจับเราเข้าคุกก็ตารางหร้กแตเนื่องจากอัปตาตัวตน เ, เราอยากจะให้คนเขาชื่นชมยินดีกับพรีม้าลายมือของเราเพระเราไปทําแล้วกลัวเขาจะตํำหนิว่าลรา แต่ลยทำให้เราเต้นขึนมางั้นเราอยู่ในโลกนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นปกติมีการผิดพาดหน้ไม่มีอะไรเท่ยงแท้แน่นอนแล้วก็อยู่ในโลกมันก็ม่ทั้งสสงมาเสงทั้งนินทาห้ามไม่ได้ก็ถ้าใครจะว่าก็ผ่านก็น้อมรับไปใครจะชมก็น้อมรับไปทานั้นเองก็จบคุณวันทนีครับ ตอนนี้น้องโยมกำลังป่วยตับทำงาน 50% ร อ, อการฟื้นฟูจะให้คำแนะนำกับเขาอย่างไรดีคะให้เกิดความสงบยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นต่อไปครับก็อยู่ที่เขาจะฟังเราหรือเปล่าเขฟังเราก็บอกว่าใช้สติสวนมนไปพุทธโทรไปทำใจให้สงบอย่าไปกัวงวลกัรเรื่องของร่างกายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ก็อยู่ที่ยาอยู่ที่หมอถ้าถูกยาถูกหมอมันก็หายถ้าไม่ถูกมันายก็า จ, จะไม่หายแต่ถ้าก็ไม่ขอความปรึกษาเราจะไปบอกก็ได้คุณธนเดชครับสงสารสัตว์จนจัดจนเป็นทุกข์ควรทําอย่างไรดีครับก็ต้องใช้อิธีการนะต้องพิจารณาว่าสัตว์นั้นนันึนมีกรรมของมัน แมื่ก่อนที่มันจะไปทําให้คนเลย่งเขาเป็นไม่มีที่อยู่าศัยบ้านนี้มันเลยต้องมาเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมากฉะนั้นอาจจะมีบ้านเช่าแล้วเขาไม่จ่ายค่าเช่าก็ไล่ล่าก็ออกไปชาตินี้ก็เลยต้องมาเป็นสุนัขจอจากรมากก็มามุมกับมามุมกับเขาทํากรรมบันไดว่าเขาต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคิดอย่างนี้เราก็จะได้สบายใจนะ คุณมริกาครับกับน้ัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามว่าทําอย่างไรให้สมาธิคงที่ตลอดเวลาเจ้าค่ะก็ต้องมีสติตลอดเวลาแล้วก็ต้องนั่งสมาธิตลอดเวลาต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิมนต้องดำเนินสติตอ่อเดินจงกรมตอ่อถ้าพออยากให้กลับให้ได้สมาธิ้วกลับเข้าไปนั่งใหม่ คุณวัชรวิทย์ครับขอเมตตาคำถามที่สองขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายถึงวิจิกิจฉาของพระโสดาบาันอีกรอบได้ไหมครับคือความละเมสงสัยในพระพุทธพระธามพระสมฆ์การที่เราได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆตอนนี้เราก็ยังจะว่าเชื่อก็ได้แต่เชื่อก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องปูุงแต่งขึ้นมาหรือเปล่าใครก็เขียนตำรามามาหลอกเราหรือเปล่า เมันยังไม่ได้เจอตัาาวพระุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรที่แท้จริงเพียแต่ได้ได้อ่านได้ยินได้ฝังแต่ถ้าได้ปฏิบัติแล้วพอ เ, เจอความทุกข์ใจที่เกิดจากความตายความเจ็บนี้มันจะเห็นอริสัตย์โผล่ขึ้นมาแล้วโอ้ตอนนี้ใจเราทุกข์ทรมาร์ตัวตายกลัวเจ็บเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาวิเคราะห์นึู่แล้วก็โอมันเกิดจากความอยากของเราเอง อยางไม่ตายอยางไม่เจ็บมันก็เลทุกข์ก็จะแล้วทำไงให้ใจเราหายทุกข์ก็ต้องใช้กดปัญญาคือตายรักต้องเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเวทนามันไม่เที่ยงมันเป็นตายแล้วมันเป็นอนิจจมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมมังคับมันไม่ได้ถ้ามันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเจ็บเราก็ห้ามมันไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกแล้วก็อยากให้ห้ามมันยอมเจ็บยอมตายไปพอยอมเจ็บยอมตายได้ยอยากจริงๆอันนี้ถ้าเป็นแบบสดๆน้อนๆนะทุกข์จริงๆกลัวจริงๆจะเป็นบ้าตายกับความกลัวตายกลัวความเจ็บนี่แล้วพอวะพอพิจารณาตามหลักธรรมเจ้าสานว่าเนี่ยทุกข์ทรมานขนาดนี้ก็เกิดจากความอยากอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บถ้าอยากจะให้ทุกข์นี่หายไปก็ยอมตายยอมเจ็บกต่นั้น อยอมจริงๆป๊บอะวงได้ทุกข์ก็หายไปปลิดทิ้งเลยมันจะเห็นในใจว่าเพิกด้ามือเป็นหนังมือจากใจที่ทรมานเหมือนจะตกตะน่มเหมือนกำลังตกงะตกละตกล่มนี่กลายเป็นใจที่ขึ้นสวรรคขึ้นมาใจนิ่งสงบเย็นสบายขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนความเจ็บทางร่างกายไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของความตายของร่างากายร่างกายจะตายในขณะนั้นก็ได้มันจะเจ็บในขณะนั้นก็ได้ หาใจไม่ทุกข์กับมันแนะถ้ามันปฏิบัติได้แบบนี้เห็นแบบสดสด น, น, น้อมน้อมเห็นอริยาสัจสี่แบบสดสด น, น, น้มน้อมมันก็ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ไม่สงสัยว่าธรรมะของพระเจ้านี้ดับทุกข์ได้หรือไม่ได้อเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่สงสัยว่าผู้ที่ผู้ที่ได้ดับทุกข์คือใครก็คือพระโสดานันพระอริยบุคคลขั้นได้ขัน้ขนได้ก็คือพระโสดาบั ก็ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกต ไ, ไม่ต้องไปพี่ประเทศเอินเดียไปดูสถานสี่สถานของว่าที่พระพุทธเจ้าเกิดเพืเออ่ยอยืนยันว่ามีพระพุทธเจ้าจริงไปที่นั่นมันก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยา่ดีถ้ามัยังจะสงสัยก็ยังสงสัยได้อย่างนี้ อ, อจริงหรือเปล่าว่าเออแต่ถ้าเห็นด้วยเห็นด้วยการการเจอความจริงเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บนี่ แล้วก็เห็นทุกข์ดับด้วยการเห็นตายรักที่พระเจ้ส่องสอนให้เห็นเห็นว่าถ้ามันเป็นตายรักจะห้ามไม่ได้มันจะตายก็ต้องตายมันจะเจ็บก็ต้องเจ็บถ้ายอมเจ็บยอมตายมันก็ไปหยุดความอยากที่จะทำให้จ่ายทุกข์ไปหยุดความอยากทำให้จ่ายทุกข์ทุกข์ก็หายไปมันจะเห็นการทำงานของอริยสัจสี่แบบสดสดน้อนๆเลยอันนี้เราเพียงแต่ คิดถึงมันนั้นเองยังไม่เจอของจริงต้องไปเจอของจริงแล้วพอมันเห็นเห็นเห็นทุกแบบคนก็เชื่อธรรมะคําสอนพระเจ้าเนีต้องต้องเป็นครรําสอนของพระเจ้าถ้ามีพระพุทธถ้ามีครรําสอนก็ต้องมีตัวคนสอนคนสอนก็คือพระพุทธเจ้าแล้วคนที่บรรลุคนที่ดับทุกข์ก็คือพระโสดาบันก็คือเราเนี่ยะเราก็จะรู้ในใจของเราเองว่าตอนที่เราบรรลุถึงขั้นขั้ น, นขั้นนี้แล้ว ท่านแบบไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วแล้วละเราปล่อยวางสัจจะทิฏฐิได้แล้วคือการไปเห็นหน้าร่างกายครับเวทนาเป็นตัวเราของเราที่เราก็กลุ้มบางครั้งได้มันก็กคุ้มบางครั้งไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ต้องปลนตายมั น, มนจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเข็มนครันนะบอาจารย์ครับอย่างนี้เพราะแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ก็ผ่านความทุกข์ สุดๆในที่หมดทุกอง์เลยใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละก็ต้องผ่านเวทนาแล้วก็ผ่านผ่านความตายที่หลวงปู่ขาเนี่ยท่านท่านรู้สึกท่านเลยคนพูดว่านิพพานอยู่ฟ้าตายนทำให้เจอความตายไม่ผ่านความตายเราไปไม่ได้ถ้าไม่ยอยากตายต้องยอมตายพอยอมตายแล้วไม่ตายไอ้ที่ตายคือกิเลสวามอยากไม่ตายมันจะตายเพราะเรายอมตาย าแล้ร่างกานยังไม่ถึงขัตาตาตา้วตายจะตายหรือไม่ตายครับคุณชัดครับในสมัยที่หมายถึงพระอาจารย์อยู่กับหลวงตามหาบัวท่านเคยมาสอนธรรมะหรือมาแนะนำการภาวนาโดยตรงกับพระอาจารย์บ้างไหมครับไม่เคยคไม่เคยเพราะท่านฐานรับพร้อมกันนี้ครับก็ละเอียดพอพอเพียงแล้วคร็ครไม่เคยประกาศไปไปฐาน คำถามครับท่านเพราะเราเข้าใจท่านสอนอะไรแล้วก็เข้าใจก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไ ป, ไปสนทนาระธรรกับท่านไม่อยากไปรบกวนท่านเลยท่านครมีภารกิจเนยอะมีลูกศิษเยอะอาจารย์หลวงตาเคยแวะมาที่เขาเขาชิโอนอ่านพีมย์พระจารย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ตั้งแต่ที่เรามาอยู่บนเขาชีโอนนี้ตั้งก็มักจะแวะมาเรื่อยๆ แต่ท่านไม่เคยบอกล่วงหน้าว่าทัานจะมาท่านก็มาจูๆมาแบบจู่จมแต่มาที่รายก็เจอเราทุกทา่าไม่เคยไปไหนนะยังไม่เคยไปไหนท่านก็เลยบอกว่า น, นี่มันมีหลักใจมันมีที่อยู่แนละ้วไม่ไปไหนนะถ้ามาแล้วไม่เจอใ น, ส น, น่สดงว่าจิตมันเพ่นพ่านนะไปนู่นมานี่ไปทำกิตนูน่นกิตนี่อันนี้ไม่ไปไหนนะมันอยู่ที่เดียวมันมาตลอด วากี่ครั้งก็เจอทุกครั้งไม่เคยไม่เจอหมนมาหาเราเคยไม่เจอเราอไร่ไม่เคยครั <laughs> เคยไปไหนมาไม่เคยเปไปเลยผมไม่เคยเห็นพระอาจารย์ไปไห <laughs> มีที่ออกไปตอนคุณแม่เท่านั้นเองครับใช่ไหมครับ <laughs> ที่ผอกไปคุณกุ๊บกิฟตครับเป็นคนอีกโก้สูงมีธรรมะข้อใดช่วยได้บ้างคะ ก็เนี่ยอ่อนน้อมถับมตนทำตัวร้ายเป็นเป็นแจ๋วทำตัวให้เราเป็นปัตตภีคุณสุริสาครับเวลานั่งสมาธิมีนิมิตเกิดขึ้นตกใจกลัวต้องแก้อย่างไงเจ้าคะก็ให้นู่เฉยๆไปถ้าถ้าไม่ให้ถ้ายังกลัวอยู่ก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าพุโทโธไปบริกรรมไปพุโทโธทำโมสังคอก็ได้ อย่าไปสนใจอย่าไปเล็งเห็นที่นที่ที่มันเกิดขึ้นครับคุณนกครับนั่งสมาธินับเลขหนึ่งถึงสิบวนไปเรื่อยๆจนจิตนิ่งได้ไหมคะมันอาจจะมันอาจจะบรรเทาความฟุ่งซ้านได้แต่มันไม่นิ่งหรอกถ้าจะให้มันนิ่งต้องหยุดนะับแล้วดูลมเคชื่อยไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะอาจจะยนิ่งกัได้นะเนอะเพราะ ถาบริการพูดโทรศัอย่างเดียวนี่มันทําให้เจ็บนิ่งได้ถ้างั้นหนึห่งถึงเสิบมันมันไม่รู้จะนิ่งได้หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยลองเราก็ไม่รู้งั้นก็ลองทำํำลองทํำดูจะเป็นยี่ย่างตรงไหนเลยครับคุณาวิชาติครับเรียนถามพระอาจารย์สองข้อนะครับข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรครับ มันก็เป็นส่วนประกอบของกายมันก็มาอยู่ที่กายก็เหมือนไม้พันละมันไม่ได้เป็นเมตนามันไม่ได้เป็นจิตมันไม่ได้เป็นรมณ์มันเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่อยูในในมวดของกายว่าอย่างนั้นข้อที่สองครับขอทราบการทําอานาปานาสติอย่างย่อและได้ผลเพราะมีเวลาน้อยครับเนี่ยนกะ็ดูที่ปานจมองลมเข้าลมออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลม ให้เฝ้าดูเฉยๆเหมือนเราดูโทรทัศน์ไม่ต้องไปปรับจูนไม่ต้องไปเปลี่ยนสถานีไม่ต้องไปอะไรจ้องดูที่จออย่างเดียวอันนี้ก็จ้องดูที่ปลายจมูกอย่างเดียวลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลม อ, อ, อกก็รู้ว่าออกลม อ, อยากก็ไม่ว่าอยากลมละเอียดก็รูว่าละเอียก็รู้ไปเฉยๆแล้วนี้ไม่ต้องทำอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดอะไรให้อยู่กับเรื่องนมอย่างเดียว ยังไม่ใช่ดูลงไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อย่างนี้ไม่ได้ห้ามคิดหยุดคิดคุณเป็กกี้ครับกับเรียนถามพระอาจารย์โยมกลัวการเข้าสังคมกลัวทำให้ถูกคนไม่ถูกใจกลัวไม่ชอบเราโยมมักจะกลับมากังวลเสมอกับการถูกนินทาว่าร้ายปัจจุบันดีขึ้นมากมากเพราะมาศึกษาธรรมะนั่งสมาธิแต่ก็ยังมีอาการแบบนี้อยู่เจ้าค่ะขอคำแนะนาจากพระอาจารย์ครับก็ดีทําไมกลัวเข้าสังคมก็อยากเข้า สังคมไม่มีประโยชน์อะไรกับเราอยู่แล้วมันถ้าไม่เข้าสังคมได้ก็อยากเข้าถ้าเข้าก็ต้องทำใจว่ามันก็อาจจะมีคนชอบเราไม่ชอบเราอาจจะมีคนชมเราว่าเราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมันก็เราขึ้นเวทีประกวา ง, งามๆก็ว่าคนก็ชอบโดยนี้บางคนก็ไม่ชอบโดยนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเองเราต้องทำ แ้วมาทําตัวเราให้เรียบร้อยสงบไว้เฉยๆไม่นั่งพูดสงบการสงบวาจาสงบใจถ้าจะเป็นจะต้องเข้าสังคมนะก็ถ้าใจไม่สบายก็พุทโธพุทโทพุทโธเลยทำใจให้เฉยๆไปแล้วใครจะว่าอะไรใครจะดูดูแคลนดูถูกเรื่องอะไรก็เลี้ยวเขาไ ป, อ ย, า ป, าไปอย่าไปกังวลไหวเข้าไปอย่าไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าไม่จําเป็นเราต้องไปก็อยากไปดิ คุณชุมพลครับการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตดูอย่างไรครับและจิตกับใจต่างกันอย่างไรครับอันนี้มันเป็นทำขั้นสูงขั้นสุดท้ายเแล้วให้ดูจิตนะขั้นตอนนี้ให้ดูร่างกายก่อนฝึกสติให้มีสติก่อนตอนนี้ไม่มีก็มีดูจิตก็ไม่รู้จิตอยู่ตรงไหนจิตเป็นอะไรก็ไม่รู้ันจิตมันละเอียดมากต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนอะได้จะดูจิตได้นี่ต้อง จิตต้องเข้าต้องได้สมาธิก่อนเพราะตอนนี้เราไม่ได้ดูจิตกันเราจะดูแต่รูปเสียงกลิ่นรสกั น, กนดูคนนั้นดูคนนี้ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ในขณะที่จิตเราโกรธเกลียดชังเราไม่เห็นะเราไปเห็นสิ่งที่เราโกรธเกลียดชงังแล้วล่ะเราก็เป็นแก้ที่ตัวนั้นแทน่แก้็นสิ่งที่เราโกรธที่เราเกลียดความจริงถ้าเราดูจิตเราจะรู้ว่าความโกรธเกลียดชังนี้เกิดขึ้นนั้น เราต้องแก้ที่ตัวโกรธเสียฉันไม่ใช่ไปแก้คนที่ทําให้เราโกรธที่เราเหนลโกรธนั้นถ้ายังไม่มีสมาธิยังจิตยังไม่รวมนี่ดูจิตไม่ได้ต้องฝึกสติด้วยการดูกายครอบดูกายเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นให้อยู่ถูกถูกใจไว้อยู่กับร่างกายเพื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบจิตจะได้เข้าข้างในได้และนั่งสมาธินี่เป็นการดึงจิตเข้าหาจิต อันนี้จิตมันหารูปเสียงกลิ่นรัดกันนี่เราต้องดึงมันออกจากู่กเสียงกลิก่นรัดให้มันกลับเข้ามาอยู่เข้ามาหาจิตพอมันกลับเข้ามาหาจิตแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นในจิตมันก็จะเห็นนันทีแล้วมันก็จะแก้ได้ถ้ากอดก็หยุดมันถ้าลอบก็หยุดมันถ้ารักก็หยุดมันถ้าช้าก็หยุดมัน แต่ตอนที่ไปไปรู้สึกโกรธรู้สึกรักนี่ก็คือเราลืมลืมลืมไปใช่ไหมขาดสติใช่ไหมครับใช่ขาดสติมันไม่ได้อยู่ที่รักมันไปอยู่ดูคนที่เรารักเสียแล้วก็อยากได้ขึ้นมามันเร็วมากครับผมแต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะเห็นว่าการเป็นรักใครนี้ไม่ดีใจเราเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มกระเพื่มนะเริ่มมีความกังวลว่าจะได้ก็รู้เปล่ปาเลยเขาจะชอบเราหรือเป่าอะไรต่างๆขึ้นมา ทุกเกิดขึ้นแ้วแต่ที่ถ้าเราไม่ดูจิตเราจะไม่เห็นเราจะดูจิตได้เราก็ต้องมีสมาธิก่อนเราต้องดึงจิตเข้าข้างใให้ได้ก่อนถ้าดูโดยที่ไม่มีก็เป็นเป็นแบบจินตนาการหรืออาจจะดูได้บางครัง้งบางคราวเวลาโกรธแส่โ ก, ถถกโกรนแล้วถึงอาจจะนึกได้ให้ก็ลองโกรนนะแต่ส่วนใหญ่บางทีไม่ได้สติไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองโกรนใช่ไหมใชก็จะทำอะไรไปตามที่ความโกรธสรั่งให้ทํา ค่าตัวตายค่าคนนั้นค่าคนนี้เรียกความโกรธไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแต่ตัวความโกรธนี่เป็นตัวที่สั่งให้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายครับถ้าดูได้ก็ดีครับอาจารย์ครับมีคําถามอีกคําถามหนึ่งเขาบอกจิตกับใจต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันเน่ยเพียงแต่ว่าในจิตนี่มันมีสองหน้าที่ มันมีแต่มันมีตัวคิดแล้วก็ตัวรู้แลว้วเราจะใช้จิตกับคําว่าตัวคิดจิตคิดนั่นคิดนี่ใจรู้นั่นรู้นี่ใจเผู้รู้จิตเป็นผู้คิดแต่มันตัวเดียวกันแต่ทำสองหน้าที่เพราะมันมีสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นตัวรับรู้รูปเสียงกิน่นรดอัญญาสังขารก็เป็นผู้ปรุงแต่งคิดว่ามันเป็นปนู่นเป็นนี่ขึ้นมา คุณ อ, อดีตครับขอความเมตตาพระอาจารย์คำถามตัวใจตัวมโนวิญญาณขันและตัวจิตผู้รู้ทั้งสามสิ่งนี้เป็นตัวเดียวกันทั้งหมดหรือไม่อย่างไรครับตัวใจกับตัวจิตย่งเป็นตัวเดียวกันตัววิญญาณขันก็เป็นตัวที่ทำน้ทหน้าที่ให้กับกับจิตกับใจเป็นผู้ทำหน้าที่ไปรับรูปสียงจิตเข้ามาทำยากตาหูจมูกิ้นกาย คุณจิราธิวัตรครับศีลถ้าไม่ครบสามารถสําเร็จโสดาบันได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเมาเร่าแล้ยังเป็นโสดาบันได้ไงนั่งสมาธิยังนั่งไม่ได้คุณตุ้ยครับวิธีดับความกลัวเวลาไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่วัดวิเวกมีวิธีไหนบ้างเจ้าคะก็วิธีแรกก็ใช้สติบริกรรมพูดโธพูดโทรไป ด้วยการพุทธธทำโมสามโคไป ห, หรือสวดบทอินทรีย์เสดเจ้ารรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปอย่าอย่าให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่เราหวาดกลัวพอใจหยุดคิดปั๊บความหวาดกลัวก็หายไปอันที่สองวาใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วก็ว่าเดี๋ยวมา ก, ก็แค่ตายว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็แค่ตายถ้ายอมตายแล้วมันก็หายกลัว คุณอัญเชลีครับคนที่สงสัยคือมีโมหะใช่ไหมคะต้องใช้ธรรมะข้อใดคะต้องใช้การศึกษาถ้าสงสัยก็ต้องศึกษาสิ่งที่เราสงสัยแม้มันจะได้หายสงสัยได้คุณธนวัตรครับกบเรียนถามพระอาจารย์ครับสภาวะจิตที่นิ่งและแนวทางการฝึกให้จิตนิ่งครับ กร่หลักการใช้สติไงฝกสติวับริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดใจต้องหยุดคิดแล้วใจก็จะนิ่งถ้าใจไม่หยุดคิดมันก็นิ่งไม่ได้คุณอ่านครับารรการนมัสการพระอาจารย์ค่ะดูลมที่ปลายจมูกแล้วจะมีมวลแน่นๆที่ปลายจมูกแล้วจะตึงๆลมก็จะหายไปถือว่าผิดปกติไหมคะดูเฉย ๆ, ๆมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจรับ มันทีจิตเราไปปรุงแต่งมันเองนันเองดูเฉยๆไปมันจะเป็นง่ายงๆให้ดูเฉยๆไปไม่ต้องมาทําอะไรคุณนายอนุวัต์ครับกัตนาวิสการครับนิพพานคืออะไรครับในนิพพานเหมือนสวรรค์ไหมครับนิพพาน ก, ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธ์ปราศจากความโลภกหลนก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็น เป็นสวรรค์ที่มีความสดที่ถาวรไม่ในวัดเสือ่อเป็นสวรรค์เป็นความสดที่มากที่สุดเต็มร้อยเป็นสวรรค์ที่เต็มน้อยคุณก้องครับตั้งแต่ปฏิบัติรู้สึกว่าไม่อยากไปยุ่งกับใครอยากอยู่เพียงคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับก็เพราะว่าจิตเราเห็นอยากอ ย, อยากจะมีอยู่กับความสงบก็ต้องอยู่กับคนเดียวคุณโจรครับ บริการพุโทโธคือนึกคําว่าพุโทโธในใจตลอดเวลาโดยไม่คิดอย่างอื่นใช่ไหมครับและเวลานั่งนิ่งๆมันจะสับสนระหว่างลมกับนึกพุโทโธและผมมีปัญหานึกพุโทโธไม่ค่อยชัดมีวิธีแนะนําไหมครับถ้าเราใช้พุโทโธก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมมันแต่พุทโธไปอย่างเดียวคิดแต่คําว่าพุโทโธพุธโทโธไปไม่ต้องไปนั่งคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆนึกใจมัจนก็จะสงบลงไป คุณอัญชลีบอกว่าคนเคยทําผิดศีลมาจะเป็นโสดาบันได้ไหมคะได้มันผ่านไปแล้วอัญชีมันผ่านไปแล้วเราก็รักษาศีลในปัจจุบันไว้กันแล้ว ก, กันคุณจุ๊บครับ <c oughs> พระอาจารย์มีวิธีจัดการกับความเหนื่อยอย่างไรบ้างเจ้าคะอย่างหลายวันมานี้พระอาจารย์แสดงธรรมติดตกันทุกวันเลยพระอาจารย์มีเหนื่อยบ้างไหมเจ้าคะถ้าเหนื่อยกายก็นอนพัก <c oughs> ถ้าเหนื่อยใจก็เข้าสมาธิไปหยุดคิดไปนะนี่ท่ันก็ใจก็ต้องพักผ่อนมากร่า ง, งกายก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันร่า ง, งกายมันเหนื่อยมันก็ต้องนอนพักใจเหนื่อยก็เข้าสมาธิไปหยุดคิดไปคุณวีนาครับขอเรียนถามพระอาจารย์ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวจะไปถึงนิพานได้ไหมคะโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาได้ไหมคะไม่ได้หรอก เพราะว่ามันจะได้นิพพานแบบชั่วคราวมสมาริจะให้นิพพานแบบชั่วคราวถ้าจะใ้นิพพานแบบถาวร น, นี้ต้องใช้ปัญญาทำจัดกิเลกทั้งตาให้หมดซึ่งเป็นอยากใจอาจารย์ตอนนี้คำถามหมดแล้วครับอาจารย์ครับโอเคไมเวลามีอะไรอยากจะคุยก็คุยได้ครับก็จริงๆที่ตั้งตั้งชื่อเรื่องหลักใจนี้ก็เพราะว่าได้ยิน ได้ยินคาที่พระอาจารย์เล่าเมื่อกี้ครับว่าหลวงตาบอกว่าพระอาจารย์ได้หลักหลักใจแล้วผมก็เลยอยากจะดูว่าที่หลวงตาหมายถึงหลักใจเนี่ยคือคืออะไรครับอาจารย์หลัใจสงบในความสุขในตัวมันเองแล้วมันไม่ต้องมีไปหาหาหาสิ์ของภายนอกมาให้ความสุขกับมันครับมันมีรู้เด็ข้ามันมีความสงบมันอยากจะครับยาเวลานะ เลามันอยากจะมีความสุขมันมเข้าสมาธิได้ทุงเวลามันว่าไม่ต้องไปหาความสุขอยากการไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่ไปทําให้นู่นทาให้นี่นานาพี่ใจอยากจะมีความสมดความสุขก็เข้าสมาธิไปถ้านี่ก็เป็นจําเป็นจะต้องไปไหนมนาะขอโอกาสเรียนถามอาจารย์ต่อไปเลยครับอาจารย์นั่งสมาธิทุกวันอะไรไหมครับรรเป็นกิจวัตรเลยไหมครับ คือจะว่านั่งหือมันย่อ ม, มันไม่ได้นั่งแบบเมือนที่เคยนั่งแบบตอนที่ปฏิบัตินะอันนี้นั่งแบบสบายๆนั่งบั่งนอนบ้างแัดจิตมันมีส ต, ติตลอดเวลาอย่างนี้ดีกว่าพอมาใช้ไม่สีสติตลอดเวลานี่ครับใจเหมือนเดินสมาธินั่งสมาธิยืนสมาธิอย่างนี้ดีกว่านานมีหนัดก็มีสมาธิไปมันไม่ได้ไปคิดฟุ้งซ่างไม่ได้ไปวุ่นวายไปทำอะไรครับผม ติดมันไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งับถ้าปฏิบัติถึงขั้นหนึงแล้วมันไม่ต้องนั่งนะเพราะมันมันมันสามารถทําให้ใจสงบได้ทุกเยวยาได้ครับอาจารย์เริ่มมีคําถามกลับเข้ามาเพิ่มนะครับคุณประจักษ์พงศ์บอกว่าไม่รู้ขึ้นต้นอะไรแต่บอกเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนาหรือเปล่าครับที่พูดถึงปัญญาออกครับใช่ปัญญาหลังพระพุทธศาสนานไม่มีใน ย, ยุคอื่น คืออริยัยสัตว์สี่ตแล้ว ไ, ไม่มีใครสอนเราไปศึกษาที่ที่ที่ที่ไหนก็ตามไม่มีใครสอนเรื่องอริัยสัตวสี่เรื่องตายแ ล, ล้ครับคุณอัญเชลีครับคารวาสควรศึกษาอภิธรรมไหมคะหรือฝึกสมาธิภาวนาไปเลยคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการฝึกสมาธิก็ไม่ต้องไปศึกษาวิถธรรม กับสูตวิธีนั่งสมาธิไปทล้วนี่คุณสาลีนีครับพระอาจารย์เจ้าคะคิดอย่างไรจึงจะอภัยได้อย่างสนิทใจครับโอเคว่าถ้าถ้าถ้าเราเป็นเขาอ่ะถ้าเราเป็นเขานี้ถ้าเขาให้อภัยเราแล้วเราจะรู้สึกไงมีความสุขไหมเราเมองมุมกลับอยู ก็คิดคิโวกเขาโว้กเราถ้าเราไปเอาโทษเขาฟ้องน้องเขาเขาทุกข์ไหถ้าเกิดเราทําผิดพลาดแล้วเข้าไปฟ้องศาลแจ้งความอะไรอย่าเงี้ยเราก็จะทุกข์อยู่แต่ถ้าก็ให้อาภายัยแล้วก็เป็นลายผิดพลาดกันได้อยู่ด้วยกันในเรื่องนี้เรื่กับฝันเราให้เห็นว่าเหมือนกับวิีนกับฝันการจำเรื่องจำคำหนึ่ ง, ง ก, ก, ก็ไม่ดี เราไปทำให้เขาทุกข์หรือเขาก็จะเขาก็อยากจะกลับมาทําให้เราทุกข์อีกถ้าเขาถ้าเขาพร้อมกลับได้เขาก็จะพร้อมกลับไปถ้าเราไม่พร้อมเขามันแม่งกระจบไปไมันต้องคิดถึงว่าเา้าโง่เรารทําอะไรกับใครคิดมองมุมมุมมุมกลับบ้างคําถามเริ่มมาเรื่อยๆ ค, ครับอาจารย์คุณโจ้ครับ ภาวนาพุโทโธจะเห็นความสงบเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับบุญผู้ปฏิบัติใหม่ครับหรือขึ้นอยู่กับความเพียรทํามากๆครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับการความเพียรความเพียรนี่เป็นตัวสำคัญเพียรจะได้พุโทโธพุทโธอยู่เรื่ยเป็นว่าทักเลยคุณตรงฤทธ์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับหลวงตามหาบัวบรรลุนิพพานแล้วใช่หรือเปล่าครับ ก็อภิเษตท่านเป็นพระธาตุแล้วเนี่ยกรกท่านเป็นพระธาตุนะแสดงว่าท่านก็ท่านตามที่ท่านท่านอยู่ชักกระพุ่ท่านไม่กลับมาเกิดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วคนที่ไม่กลับมาเกิดก็คนบรรลุนิพพานแล้วคุณนรรงเกียรติครับสัมมาอาชีพขายเหล้าบาปไหมครับ ขายนหลไม่เป็นสัมมาชีพเป็นวิชาชีพเพราะเป็นอาชีพที่สนับสนุนให้เกิดความเสียหายกับการเบียดเบียนนั่นขายล้าแล้วคนดื่มเหล้าแล้วมาแล้วก็ไปทํร้ายผู้อื่นได้แต่คนขายไม่ไม่บาปนะเป็นอาเป็นอาชีพที่ไม่ควรทวําลียไม่ไม่ใช่เป็นสัมมาชีพเป็นวิชาชีพคุณบุ๋มบิ่มครับ ตัตาอุเบกขาสุญญตานิพพานเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะเราก็ไม่รู้ก่อแต่ก็แต่แตัทตานี่ยเราก็ไม่รู้เพราะเอุเบกขาก็คือใจว่าปล่อยวางนิพพานก็ก็มีอุเบกขาใจก็ปล่อยวางสุญญตานก็คือความว่างมันก็ มันคำคำว่าสุญญาตาเอาวามันหมายว่ามันหมายความได้หลายอย่างนิพายก็มีก็เป็นความว่างเนี่ยสมาี่ก็เป็นความยากว่าไม่อย่างเวลาเป็นเป็นไม้เป็นสดก็เป็นความว่างอย่างนี้นะครับแล้แต่เราจะไปใช้ศัพท์มันแค่ศัพท์ทั่วไป ค, คุณนายอนุวัตรครับพระสงฆ์รับเงินเองโดยตรงจากคารวาสผิดไหมครับ คามตมพระวินัยนี้ท่านรับกรรรับเองเก็บไว้เองไม่ได้นอกจากว่าในกรณีที่มัอนอ่าจจะไม่สะดวกไม่มีใครมารับทแทนก็เราประละไปแล้วก็เอาไปมอบให้กับลูกศิษย์ก็ได้แต่บางคนก็ถึงว่าผิดว่าถ้าจรถือว่าถ้าจะเอาไปแบบอักษรเต็มตองเป๊ะนี่ก็รับไม่ได้แตะไม่ได้แต่ถ้า ถ้ามันใช้เหตุใช้ผลว่าเราก็เพียงแต่รับเพราะตอนนั้นไม่มีลูกศิษย์มารับแทนเราเราก็รับไว้ก่อนนอกจากนก็ไปให้ลูกศิษย์เก็บไว้ต่ออีกทีอันนี้ก็แล้วแต่จะวิเคราะห์เอาแล้วถ้าอยากจะเช่งเป๊ะเปี้ยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แตะเลยไม่แตะเลยใครจะทอยเงนินมาต้องให้มองให้กับลูกศิษย์อย่างเดียวหรม่บมาให้กับคนที่เราไว้ใจได้แล้วช่วยเก็กได้ถ้าไม่มีก็ปฏิเสธไป แต่เราคิว่าจะส่งข้อเขาเมตตาเนอะต้องเป็นผู้อุสาหอกจะทําบุญแนละ้วอันนี้ก็มันก็สองแง่สองมุมนะเมตตาหรือโลภก็ลแต่ใจของคนแล้วเนีย่ยบางคนเอาว่าเมตตาแต่ใจอยากจะโลภอยากจะได้เงินเขาก็ได้หรือบางคนไม่ได้โลภอยากจะได้แต่มีความเมตตาจริงๆก็มีแล้วกะะ็แล้วแต่กรนีเรื่องขึ้นอยู่ว่าเงินนั้นไปทําอะไรค น, คนจะคนจะดูเร่การใช้เงินมากกว่าการการรําเงินดีกว่า เอาเงินไปไซื้อผลิตหรเปล่าเอาเงนไปไทเที่ยวหรือเปล่าเอาเงนไปไซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าของที่ไม่จําเป็นหรือเปล่าเอาไปทําบุญหรือไม่อย่างนี้ไม่ดีกว่ามออย่างนั้นไม่ดีกว่ะถ้าร่ำราไปทําบุญมันเสียหายมันไหนหรือเปล่าเอาไปทํนนาบุญทําประโยชน์เนี่ไม่ได้มาเอามาใช้ให้กับให้กับตนเองประโยชน์กับตนเองไม่ดีเลยบางที่เราไป ไปมองตรงจุดรับอย่างเดียวไม่เป็นบองจุดใช้บ้ากเห็ไหมมองพระพักรูปนี่เอาไปใช้ซื้อของแบรนด์เนมใช้ก็มีะมี ข, าขา่าวข่าวเช่าเครื่องบินมาลําก็มีต้องดูว่าเอาไปใช้ในทางไหนจะดีกว่าเงินที่เขาถวายพระนี่มีมีมีปนมีเป้าหมายให้เราไปใช้ในเพื่อสัมมนาบริโภคคือสิ่งที่สัมมนาบริโภค ได้เช่นปัจจัยสี่อาหารจีวรยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเป้าหมายของการถาเอยเงินนี่ให้ท่านเราไปใช้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่หรือ ถ, ถ้าไม่ใช้มีเกินไปก็เอาไปทำรูปบํารุงพุทธศาสนาทาใดทางหนึ่งช่วยสร้างซ่อมบวชซ่อมเจดีย์หรือหรือเอาไปสงฆ์โลกไปสงฆ์โลกเอาไปช่วยโลก เช่นตอนนี้นั่นคนเดือดร้อนขาดแคลนอาหารน้ำท่วมทำเงินที่เข้ามาบอยจากนี้ไปซื้อของอาหารต่างๆแล้วก็เอาไปแจกคนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากคนรจะมองตรงมุมนี้มากกว่าไอ้มุมรับไม่ค่อยเท่าไหร่มองที่มุมใช้มากกว่าแต่ก็แล้วแต่นั้นแต่ถ้าจะมองในมุมรับว่าต้องไม่รับอย่างนี้ก็ได้บางมุมท่าก็บกางทก็ไม่รับเลย ให้ยังไงถ้าไม่มีก็ลูกเสดมารับแทนแทนแทนก็ไม่รับ <Okay. S 1> แต่ว่าท่านก็เมตตารับไว้ก่อนทดลองแต่ท่านก็ไม่นำไปใช้เองท่านก็ไปส่งคล้องโลกต่อไปอย่างนี้ก็ได้รับได้รับสองส่วนคนไทยก็ได้บุญ <Okay. S 1> ผู้ที่เดือดร้อนก็ได้รับการช่วยเหลือเดือดร้อนแต่ถ้าไม่รับเลยคนคนไทยก็ไม่ได้บุญคนจะให้ก็ไม่ได้บุญ คนที่เดือดร้านก็ไม่ได้รับการช่วยเลยมองให้มันมองให้มันครบหลายมุมมองมันถึงจะเข้าใจเรื่องนะครับมันนี้กระจ่างเลยครับอาจาได้มุมมองกว้างขึ้นเยอะเลยครับผม <c oughs> คุณพงพันธ์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับปัญญาอบรมสมาธิครับ ก็อย่างที่เวลาที่เราจะนั่งสมาธิแล้วใจเราไปภาวะโกรธกับกับกับคนที่เรารักอะ่ะท่านกำลังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจะเป็นจะตายนี่ก็ไม่รู้ ต, ราตายแล้วก็กังวลบกใหญ่ไม่มีกิจิตจยรตที่จะนั่งสมาธินั่งไม่ได้นั่งแล้วก็คิดถึงคนที่เรารักคอยก่วงคอยโกจะหายไม่หายจะตายไ ม, ไม่ตาย เราก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาคนที่เรารักนะว่าแล้วเขาเป็นอะไรเขาเที่ยงไม่เที่ยงเขาเกิดแล้วเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือไม่พิจารณาแล้วเวลาเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราไปห้ามเขาได้หรือม่เขาเป็นอนัาตาหรือเป็นอัตตาถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่สามารถไปควบคุมน้ำกายได้ว่ามันจะตายเมื่อไหร่ใจมันตายเมื่อไหร่หรือไม่ตายเมื่อไหร่ ถ้าพิจารณาเห็นความจรยงแล้วก็ยอมนับว่าถ้าเกิดเขาจะตายแล้วนี็เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ตายเรา ก, ก็เราก็ว่าเร า, เราไปเดือดร้อนทำไมมันก็ได้ข้อสงบจิตก็สงบลงได้สบงบมาเพื่มานั่งสมาธิต่อได้คุณเจริญครับพระอาจารย์คะคนที่ไม่นับถือาศาสนาหรือคนในาศาสนาอื่นมีโอกาสที่จะไม่กลับมาเกิดไหมคะ มันไม่เกี่ยวนับถือหรือไม่นับถือถ้ายังมีกิเลสอยู่มันกลับมาเกิดถ้ายังมีความโลภโลภโกวนหลงอยู่มันก็ต้งกลับมากิดอยู่เลยเน่จากแม่ชีนัประพัดครับธรรมะสำหรับปูตุชนที่พึงเป็นหลักใจที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตและหลักใจอะไรสําคัญสําหรับเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเวลาประสบความทุกข์คะ ก็จะใช้ทานศีลภาวนาก็ได้นเป็นหลักเป็นหลักของการดำรงชีวิตให้เป็นคนใจมุ่งสูนทานถ้าช่วยเหลือใครได้ใครเดือร้อนช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปทานทาทานไปศีลก็รักษาอย่าไปเบี่ยนเบนเท่าไหทานศีลแลว้วก็ฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบจะได้มีหลักใจไม่ใช จใช้แก้ปัญหาได้ด้วยแล้วก็เจริญปัญญาศึรษาสตรเทศธรรมทาให้แก่ปัญญาใหู้้ว่าทุกสิ่งนะในโลกนี้มันปบไรักนนี้จำทุกขานัตาอันไหนแก้ได้กแก้แกไม่ได้ก็ต้องปหอหไปตามอัตตาลงไไปคุณโสจีนันครับ เราจะฝึกเพิ่มความเมตตาของเราได้อย่างไรคะพ่ออาจารย์เช่นบางครั้งคนใกล้ตัวที่มีพฤติกรรมแปลกจากเราบางครั้งเผือรู้สึกรำคาญแสดงว่าเมตตาเราอย่างน้อยใช่หรือไม่คะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเมตตาอาจจะเป็นอุเบกขามากกว่าเราไม่มีอุเบกขาใจเราก็เลยยังไปนั่งเกียดชังเวลาที่เขาทําอะไรที่เราไม่ชอบอยึ้นมายิ่งพยายามฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิไปบ่อยให้จิตในอุเบกขา เบค้านารับก็จะใช้กับการกระทำเขาได้จะไม่รู้สึกลำ่านใจคุณแคทครับการปฏิบัติธรรมโดยฟังเสียงพระนนั่งสมาธิได้ไหมคะเพราะทำให้จิตใจสงบค่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีผ้ามานนำเราจะทำยังไงเนี่ยนี่ถ้าคอยหาผ้ามันนำให้เราอยู่เลื่นยเมื่อไหรผ้าันนั้นท่านป่วยท่านไม่สบายก็ ถ้าแมททูร่าที่อื่นให้เขามานำเราไม่ได้ถ้าเป็นการฝึกหัดเบื้องต้นให้ให้รู้วิธีนั่งมันนั่งยังไงพอเราทำจิตใจสงบได้แล้วเราก็ไปทำเองได้แล้ ว, ลว ไ, ม ไ, นะไม่ต้องให้ท่านนำเรบเราจะได้ทำได้ตลอดเวลาทำได้ทุกแห่งทุกคนแต่เบื้องต้นท่านเรามารู้จักวิธีทำก็อาศัยท่านนั่งสอนไปนั่งสมาธิโยมหายใจเข้าหายใจออกดูลมสิป่ปลายจมุง คิดเรื่องนันคิดเรื่นี้นะพอเราทำเป็นแล้วต่อไปแล้วก็ไม่ต้องอาศัยท่นนะคุณอัญชลีครับการฝึกแบบแยก ป, ปฏิบัติบัญญัติบัญญัติกับอนาปานะสติแบบไหนดีกว่ากันคะยังก็ไม่สร้างปฏิบัติแบบแยกณบัญญามัเป็นยังไงนะคุณคุ่าเยวันนี้อนปาปานสติก็การ ดูมหาย ใ, ใจแล้วเล็กรูลมหายใจเขาเพื่อทําใจให้สงบอันนี้อาจจะเป็นปัญญาต้องยากความลมันบัญญานีอะไรเนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตามหมายใช่หรือไม่ก็คงจะเป็นแบบปัญญา อ, อบรสมาธิกับการใช้สติ อ, อบรมสมาธิคุณปริมาครับการนั่งสมาธิการเจริญภาวนาและเดินจงกรมแตกต่างกันอย่างไรคะ ก่อนจะการหนึ่งเขาบอกคำว่ากลมนี้ไม่ใช่รอรอริมนะต้องเป็นรอเรือจะ <Okay. S 1> ไ, ได้เขียนถูกเดินจง ก, กลมรอเรือนะไม่ใช่อรองไม่ใช่กลมแบบลูกฟุตบอลนะ <Okay. S 1> นะการนั่งสมาธิการเจริญภาวนาเดินจงกรมแต่ <Okay. S 1> ก็คือเป็นการเจริญสติเหมือนกันนั่งสมาธิก็ต้องเจริญสติเดินจงกลมก็ต้องเจริญสติเป้าหมายก็คือให้ใจสงบให้ใจนิ้ แต่การเดินจงกรมนี่จะทําให้ใจนิ่งยากกว่าการนั่งสมาธิเพราะร่างกายต้นิ่งก่อน ใ, ใจถึงใจถึงจะนิ่งได้ถ้าร่างกายในการเดินใจต้องควบคุมน่างกายต้องสั่ให้ร่างกายใจก็ยังไม่สามารถทําให้ใจนิ่งได้นื้อถึงแต่การเดินจงกรมนี่ก็ให้มีสติ เพราะว่าบางทีนั่งสมาธิก็ไม่สงบเนื่องนั่งมานานแล้วมันปวดด้ว่ยก็ต้องเปลี่ยนเดี่ยวแล้วคืนกาเดินจะรสติต่อก็อไม่ให้เสียเวลาแล้วพอเดินหายเมื่อยหายเจ็บแล้วก็กลับมานั่งใหม่ต่ออีกนีการนั่งสมาธิกับการเดินเรินกลมนี่แบบเดียวเหมือนกันคือจะระสติใช้พุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วจะดูเท้าเมาื่อเวลานเดินเวลานั่งก็ดูลงหายใจแทน อย่างีก็เหมือนกันนั่งสมาธิการเดินโกนการเจริญภาวนาก็คือการฝึกสมาธิเไม่ว่าเจริญภาวนาเหมือนกันสรุปแล้วก็เหมือนกัน ค, <c oughs> คุณประจักษ์พงศ์ครับการฝึกทานศีลสมาธิปัญญาฝึกแล้วตายแล้วไปเกิดยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาสมาธิปัญญาที่ฝึกมาจะติดไปด้วยไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราทําได้มากได้น้อย ทำไปมากมันก็มันก็ฝังใจอยู่ได้นานถ้าทำได้น้อยมันก็จะมันก็จะฝังไ่นอยู่ได้น้อยกว่านั่นี้มันก็ติดไปบนะ้างมากน้อยก็อยู่ที่การฝึกของเราว่าเราฝึกมากฝึกน้อยอันนี้ก็เลยทําให้คนมีนิสัยต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ใชอคนนี้ก็เรียกว่าเป็นบารมีไงทานบาลมีซิบบาลมีสมาธิกันเองครับก็อุเบกขาบารามีปัญญาบาล ความ่อวนี้ติดไปกับใจทีนี้นจะติดไปมากน้อยอยู่ที่ว่าเราทํามากหรือทำน้อยคุณจงคนนีครับการบริจาคโอหิตจะสามารถอุทิศบุญให้ใครได้บ้างคะแลนะต้องอุทิศขณะนั้นเลยหรือข้ามวันได้คะเวลาเรามริจาคอหิตแเราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจที่เราได้เสียสละสิ่งที่มีคุณค่าของเราให้ประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้ก็เหมือนกับสายบาสทาบุญ อะไรทำเรื่องนี้เมื่อเราเกิดความสุขใจแล้วก็ควรจะอุทิศบุญตอนนั้นเลยเพราะถ้าเราเดี๋ยวเราไปทําอะไรอื่นเดี๋ยวเกิดมีอารมณ์ข้างเกิดมีใครมาทําอะไรให้เราไม่พอใจความสุขใจตอนนั้นนั่นก็จะหายไปได้งั้นตอนที่เราทํำโยจากเสร็จใหม่ๆก็ควรจะอุทิศไป็นไม่ต้องมาให้มีพระไม่ต้องมีน้ําอุทิศนนการอุที่นี้ให้เราเรื่องภายในใจเพราะ เขาเทศสนเรื่อง น, นี้ถ้ามีพ่อแม่ตายไปแล้วเขาที่ให้พ่อแม่พ่อแ ม, อแม่ต้องการเรื่อง น, นี้ก็มามามารับกัได้ไคุณเค้กครับหากตั้งใจฝึกอย่างจริงจังเราจําเป็นต้องมีอาจารย์หรือเปล่าคะสามารถฝึกด้วยตนเองไปเรื่อยๆโดยไม่มีอาจารย์หรือผู้รู้ได้ไหมคะถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องมีคนสอนก่อนถ้าไม่มีถ้าเราไม่รู้เราจะไปทำยังไงได้ ถ้าเรารู้้วถ้าเรามั่นใจวเรารู้และถูกทานนันก็ไม่ต้องมีอาจารย์ก็ได้คุณวันดีครับพ่อแม่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ร่างกายเป็นผักแล้วถ้าเราสั่งให้หมอถอดสายยางนั้นคืออนันตริยกรรมใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกเป็นการยึดติดการการรักษาครับคุณสมพรครับ พระอาจารย์เป็นพระปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นใช่ไหมครับโยมหมายถึงว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์อีกทีใช่ไหมครับเข <c oughs> ใช่ครหลวงปู่หลวงต า, า, าบัวครับตั้งครไปศึกษากัหาบหลวงปู่มั่นแล้วเราก็ไปศึกษากับหลวงตาบัวอีกที ค, คุณปู่เป้ ค, ครับเวลานั่งสมาธิเป็นเวลาสามถึงสี่ชั่วโมงจนคำบรรเลงกรรมหายใจจิตนิ่งเป็นสมาธิเห็นจิตเป็นดวงแก้วนิ่งเป็นหนึ่งเดียว มีความสุขอิ่มเอิบแบบนี้หมายถึงจิตเข้าถึงฌานใช่ไหมครับแต่เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นก็ไม่เอาไปสนใจเราะมันมีความขใเรื่องแบกขาก็ใช้ได้พระอาจารย์ค่ะดิฉันมักจะถ่ายรูปติดวิญญาณเมื่อวานก็ติดมาเป็นรูปผู้หญิงมีใบหน้าอยู่ในรูปถ่ายในโทรศัพท์เขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะก็ถามมัดูเี่ยเราจะไปรู้ได้ไง คุณวีนาครับพระธาตุมีลักษณะอย่างไรคะจึงเรียกว่าพระธาตุเป็นสัญลักษณ์ว่าไปนิพพานใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนอัญมณีมือนเหมือนก้อนก้อนก้อนอัญมณีอาจจะเป็นก้อนหยกหรือก้อนอะไรแบบนั้นนะคุณนักลับเป็นก้อนหินคุณปิยรัตน์ครับการละศีลปตประมาตต้องละในเรื่องอะไรบ้างครับพระอาจารย์แล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าละได้จริงแล้วครับ คือาการกระทำบาปอาราสีลาปจัจจารณาก็คือยังยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าการทําบาปนี้มีมีมีโทษกับเราก็เลยยังยั ง, ย, งยังกล้าทําบาปอยู่อาราสีลาปจัจารณาก็คือไม่สงสัยในเรื่องของศีลเพราะศีลนี่เป็นเรื่องสําคัญที่จะปกป้องจิตใจเราให้ไม่ให้ตกต่ำไม่ไม่ใหเกิดในบาป ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรนาช้าเป็นเป็เป็นอะไรสัการไมร่ต้องตกทั้คุณพอลส์ครับการนมัสการค่ะการฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวกับการทาําสมาธิคุณเลือกทําแบบไหนก่อนเพื่อให้ความควบคุมจิตใจได้มั่นคงและมีความ ส, สงบได้ง่ายขึ้นคะคือการฝึกสติที่ต้องในทุกเดือนของการเคลื่อนไหวกอนที่จะมานั่งสมาธิได้ ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติมันนั่งสมาธิมันก็ใจก็จะไม่สมงบเพราะมันใจจะคิดอยู่เรื่อยเรื่อยยังต้องฝึกการสติด้วยการในเรื่องเรื่องหต่างๆที่เรากําลังยิทําอยู่เพราะว่าชีวิตเรานี้ต้องมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำตลอดเวลาแต่เราสามารถใช้การเคลื่อนไหวนี้มาควบใช้กับควบคู่กับการเจริญสติได้แต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวแล้วก็นั่งเฉยเฉย นั่นก็จะระสติแบบแบบไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ได้นั่งเฉยๆนั่งสมาธิอยู่ลมหายใจเก็ดังนั้นก็เป็นการะระลังสติเหคือนกันแล้วก็จะเป็นวิธีที่จะทําให้จิตเรานิ่งสงบได้เพราะถ้าท่านกายยังเป็นการเคลื่อนไหวอยู่จะทําให้จิตนื่งสงบนี้ทําไม่ได้เพราะจิตยังต้องคอยควบคุมสั่งนั่งกายทําการให้กำลังกาย ไม่ได้อยจะทําให้จิตนื่งสงบเป็นสมาธิก็ต้องนั่งที่ถ้าไม่มีสติพอมันก็นั่งแล้วมันก็ไม่สงบงั้นเวลาที่เราถ้าเวลาเราไม่ได้นั่งเวลาที่เรามีภารกิจต้องทำเรวก็ใช้ช่วงนั้นมาเป็นการจัดสติพวบคู่ไปได้การอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเราก็ให้มีสติอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ได้เป้าหมายก็คืออย่าให้ไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ ยังไมัก็ต้องมันก็ต้องฝึกท้งสองอย่างไม่ใช่เรื่องทำแบบใดแบหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าตอนนี้ร่างกายเราเคลื่อนไหวหรือเปล่าถ้าเราร่างกายเคลื่อนไหวเราต้องมีสติอยู่ในการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเราไม่ต้องเคลื่อนไหวเราไม่ต้องมีอะไรทาแล้วเราก็นั่งเฉยๆแล้วก็ดูลอหายใจเข้าออกบริกรรมที่ถอไป คุณซินนามอนครับเวลานั่งสมาธิหายใจเข้ากําหนดว่าพุทหายใจออกกําหนดว่าโทรหรือกําหนดในใจว่าพุโทโธโดยไม่สนใจลมหายใจรู้สึกสับสนจังเลยค่ะจังเลยครับการดำเนินการครับโดยการทําสมาธินี้ทําได้สามแบบเราเลือถึงคําบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวโดวยที่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องลม อ, อันนี้หนึ่งพุโทโธพุธโทโธไปให้โหล ให้มีจิตรู้กับพุโทโธให้ใช้มีพุโทโธคกักกับใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรืนี้อีกวิธีหนี้ก็คือไม่เอาพุโทโธเลยเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียวเอาดูลมหายใจที่ปลาจะลมเข้าก็รู้ลมออกก็ลู้อันนี้วิธีที่สองวิธีที่สามเอาสองอย่างมารวมกันหายใจเข้าก็ว่าพุทธายใจออกก็ว่าโธก็ได้นั่นเลือกทำเอาได้แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหน เมันกินพิซ่าใสมัยเนี่ยมีพิซซ่าแบบเอาเอาเอาลวนๆฐานเดียวเอาไจะเอาสองอย่างมารวมกันในฐานเดียวก็ได้เดี๋ยวนี้เลือกขอบได้ด้วยครับอาจารย์คุณโพคินครับคนธรรมดาที่ปฏิบัติธรรมสามารถเข้าถึงนิพพานได้หรือไม่คำว่านิพพานมีกี่แบบครับ การเข้านิพพานนี่ถึงนิพพานได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคนธรรมดาหรือคนคนวิเศษมันก็ต้องเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าถึงนิพพานแล้วท่านต้องเป็นคนธรรมดาที่จะต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็จะสามารถเข้านิพพานได้ถ้าปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเั็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสไปนิพพานได้ทุกคนถ้าปฏิบัติมากแปดได้สมบองบวช อ น, นี้ขา แ, แลกนิพพานมีกี่แบบก็นิพพานมีอยู่สองแบบนิพพานนี่แบบว่าจิตที่สาบรอยสุดจิตที่สาบรอยสุดนี้ตอนนี้ตอนที่ปฏิบัติแล้วจิตบรอยสุดแล้วร่างกายยังไม่ตายนี่ก็เป็นแบบนิพพานที่ยังมีร่างกายอยู่แ ล, นน แ, บบแล้วนิพพานอีกแบบก็คือตอนที่ร่างกายตายไปแล้วมีแต่จิตล้วนๆพระพุทธเจ้าตอนที่ นั่งตัดสินว่าใต้คนต้นโพนี่ท่านนิพพานแบบมีร่างกายร่างกายยังไม่ตายแล้วพออายุ80ปีกันที่ท่านนอนไปนิพพานตแต่นั้นร่างกายตายไป mm hmm. ก็เหลือแต่จิตนู้นๆ้นที่เป็นนิพพานอันนี้ก็จิตก็เป็นนิพพาน เ, นเดิมๆเห็นไหมว่าจิตนิพพานแบบมีร่างกายและไม่มีร่างกายเ mm hmm. กามีสองแบบเขามีคําว่าะนะ อันุเสสะปรินิพานเราทไม่ได้ภาษาบาลีเอไม่เปิดอดี๋ยนี้พันู่องแบทโอ้คำถามมาตอนหลังเพียบเลยครับแต่หมดเวลาแล้วก็พระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟ c e b o o ห้าร้อยสิบคนใน y o u ู u หกร้อยสี่สิแปดคนในครับเฮ้าส์ิบเจดคนรวมมีเพื่อนๆที่ฟังทำด้วยกันวันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคนครับพระอาจารย์ครับ ก็ยินดีกับทุกการที่ได้เข้ามาสนทนาเข้ามาปารับตั้งมองว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยแนะนำนำํานําไปปฏิบัติเพื่อขยายผลต่อไปการแสดงสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทุกแนาทุกสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสดความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทสัทุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้ก่อนถ้าถ้าไม่มีราคาเข้าพบกันในวันอาทิตย์หน้าครัเวลาเดิมัของทุับถ้า ม, มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็แจ้งมาได้นะท่านมีชุบแชร์อะไรก็ตามไม่มีอะไรแน่นอนอนนี้จากมาอย่งววางเราเมื่อวานนี้ไฟฟ้าดับตอนเพี่ยงพอดีก็มันจะแสดงธรรมล็กต้นไม้มันจะหลดทับสายไฟอะไรต้องมาตัดกิ่งไม้ต้นไม้ออกไป พยาบาลก็บายสองสามโมงไปนะครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็พยายามตัดพยายามหักเข้ามาได้ถ้าไม่ได้เข้ามาแต่รูปแบบหน่าเข้ามาอาจจะแค่เสียงก็ได้อาจจะฟอนต์เข้าม า, ทมาแมนนนนามาทนถ้าถ้ามีปัญหาไม่สามารถใช้คองได้ครับผมโอเคนะคิดว่าขอขอลาไป ก, ก่อนนะอาจารย์กราบขอบพระคุณความเมตตาอาจารย์ครับ